สวัสดียามบายวันนี้บรรยากาศดีมากเลยน่าเดินจงกรมพระ่อชาพูดเรื่องการกําหนดรู้ไว้ฟังว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะของเราธรรมชาติใจนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่รู้เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีความรู้เป็นลักษณะนี่คือใจ ได้ส่วนมากมันจะเป็นตัวสู่สั่วรู้สู่รู้อะไรนะเพราะว่ามันมีอวิชาไอตัวที่ไม่รู้ที่เข้าไปเริ่มอยู่ได้มานาวิชาก็จะแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอวิชามันแข็งแรงด้วยอำนาจของนิวรณ์เพราะว่านิวรณ์เนี่ยมันมาร่วมมือร่วมมือ ก่เกิดการกระทําของเรากรรมที่เราทําได้กับกำลังของตามกาลังของนิวรณ์เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มอํานาจให้กับอาวิชาแล้วก็จะยิ่งก่ออาชวะให้มันนาอาชวะมันไม่ได้ออกมาหรอกอาชวะนี่มันอยู่ข้างในถ้าเรามีกล้องวิเศษส่องใจตัวเองเราก็จะเห็นกองอาชวะหนาทึบแข็งท้อนกันอยู่เป็นชั้นๆเต็มไปหมด นี่เรว่าถ้ามีแว่นวิเศษเพราะว่าทุกครั้งทุกครั้งที่เราสำเร็จความโกรธเราสำเร็จความโลภเราสำเร็จความหลงเราสำเร็จกิจอันใดที่เจตนาเข้าไปร่วมด้วยทุกครั้งก็จะถูกสะสมเป็นอาสวะ mm hmm. และก็อาสวะที่อยู่ข้างในนันอะ่ะมันก็จะตกตะกอนเหมือนกับตะกอนในออคง ในโอง่งนึกภาพโอง่งน้ำไหมเออตะกอนที่อยู่ชั้นในร่างสุดนั่นแหละก็ เ, เรียกอาสะวะมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนหรอกแต่เวลามันจะขึ้นมาข้างบนในที่ลอยอยู่ข้างบนน่ะไอ้คี้ขุนหน้าพรมไอ้ขี้ขุนหน้าน้ํามันเขาเรียกว่านิวอนอยู่ในชีวิตประจาวันของเราแล้วมันก็จะทํางานไปเรื่อยๆปวนผิวน้ําให้มันสะเทือนสะเทือนจนอาสวะข้างหลังก็พุ่งขึ้นมาไอตา้ตะกอนด้านหน้านี้ก็เพิ่มขึ้นพอเพิ่มขึ้น ก็ตกตะกอนลงไปนอนอยู่ก้นโอ่งที่ก้นโอ่งก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นข้างหน้านี่ก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเออเหมือนกันเลยการเคลื่อนไหวชีวิตของเราในทางสารวัต t นี้แต่ละภพแต่ละชาติเป็นแบบนี้แหละธรรมชาติธรรมชาติของจิตที่มันมีความรู้เป็นลักษณะมันก็จะใส่รู้ไปทั้งหมดเลยทำไมพอเราเกิดมาในท้องแม่ทําไมทําไมมันต้องสร้างตาหูจมูกลิ้นกายเพราะไอ้ความดิดดิ้นของจิตที่มันจะต้องมีที่รู้ให้มันนี่แหละ เพโลกนี้มันรู้ได้เป็นรูปเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเพราะฉะนั้นมันจะต้องตั้งจักรกุประสาตโธตปัสศาสตร์คณะสาสตร์จิวหาปศาสตรและกายปศาสตรเพื่อให้จิตเข้าไปสวยอารมณ์เพื่อจะรู้สิ่งเหล่านั้นแต่เวลารู้สิ่งเหล่านั้นแล้วรู้เป็นรูปสีเป็นสีเสียงเป็นเสียงกลิ่นเป็นกลิ่นรสเป็นรสมันไม่แค่รู้นงมันกําหนดความอริดอร่อยลงไปสีรูปมันก็กําหนดความสวยความน่ารักลงไป เสียงมันก็กําหนดความไพเราะเพราะหวานลงไปกลิ่นมันก็กําหนดความหอมความอะไรลงไปรสมันก็กําหนดความหวานความเค็มความเปรี้ยวความอร่อยน่าลิมหน้าลองลงไปสัมผัสมันก็กําหนดความหน้าคลังคล้ายนุ่มนวลเออลงไปการกําหนดอย่างนี้ลงไปเพราะเมื่อจิตไปสวยอารมณ์ที่จะรู้รู้รู้เสียงรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัส มันก็เลยไปด้วยอํานาจของตัณหาไปด้วยอํานาจของความเพลินแล้วมันก็ยึดติดท่องเสพอยู่อย่างนี้หมุนเวียนสลับเปลี่ยนไปเรื่อยๆอารมณ์อันเดิมรูปสีที่จิตรู้สึกได้ว่ามันสวยแล้วมันไปท่องเสพพอซ่องเสพเสร็จแล้วมันก็หมดภาพนั้นออกไปเปลี่ยนออกไปมันก็ตกมาเป็นทุกข์พอขึ้นแล้วเป็นสุข พอผ่านไปก็เป็นทุกข์พอเสพเป็นสุขผ่านเป็นทุกข์เสพเป็นสุขผ่านเป็นทุกข์อเสพเป็นสุขผ่านเป็นทุกข์ไอ้เป็นทุกข์นั้นก็คือว่าไปเสพทุกข์กันไปอีกเพราะฉะนั้นในวงรอบของกิเลสทั้งหลายแดเนี่ยทั้งหมดมันจะถูกสะสมลงไปเรื่อยๆสาเหตุจึงมาจากสิ่งเดียวมาจากสิ่งที่จิตเป็นธรรมชาติที่มีความรู้ ต้องการรู้เป็นลักษณะแล้วมีอวิชชาเข้าไปร่วมที่พระพุทธเจ้าว่าบหะสัมบันตโลโลโก พ, พระพระรโปวะดิสติบหะในที่นี้เป็นเหมือนอวิชชาคือความไม่รู้ความหลงอะ่ะมันห่อหุ้มจิตของเราให้อีตัวรู้ที่มีอยู่ทำงานด้วยความไม่รู้แต่มันเป็นตัวที่จะต้องรู้เพราะมันทำงานด้วยความไม่รู้มันก็ยิ่งพัวพันยุ่งเหยิงกันไปบด แล้วก็มาห่อหุ้มจิตของเราหลังจากนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวเราก็เกิดมีกรรมคือการกระทําร่วมกับอำนาจของนิวรณ์การตัดสินใจในการกระทําทุกครั้งเราสังเกตดูมันจะมีความอคติไม่เข้าข้างตัวเองไม่ฉันทากติก็โทสะกติไม่โทสะกติก็พยาคติไม่พยากติก็โบหาคติเรียกว่าการตัดสินใจในแต่ละครั้งนี่ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองก็เข้าข้างคนอื่น มันต้องมีการเข้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ได้ปรารฏซึ่งความถูกต้องเป็นจริงอันจิตไม่มีโอกาสที่จะได้ริมลองสัจจะอันเป็นธรรมชาติที่เป็นจริงๆเพราะอํานาจของพวกอาชวะและนี่วนพวกนี้แหละนี่มันก็ช่วยกันพ่องพูนไปเรื่อยทุกๆ ก, การกระทําของเราเรียกว่าทุกๆ ก, การกระทําจะต้องมีผลเสมอ ท, ทุกการกระทำของเรามีผลเสมอผลอาจจะไม่ออกมาในรูปภายนอกแต่มันจะถูกสะสมเก็บเป็นอาสวะเพราะฉะนั้นพระเจ้าว่าอุปธิพั น, นโนพาโลคนโง่คนที่มีความไม่รู้เคลื่อนไหวอยู่นี้จะทำให้มีอุปธิผูกอีกชั้นหนึ่งอุปธิก็คือว่าการกระทาที่ร่วมกับเจตนาตัวสุดท้าทยหรือที่เราเรียกว่ากรรมนั่นแหละมันถูกอุปธินี่ผูกไว้อีกชั้นหนึ่ง ที่เราก็เลยเข้าไปไม่ถึงเข้าไปไม่ถึงตัวจิตที่แท้เราโชคดีถึงได้มาเจอพระพุทธเจ้าผู้ที่จะเข้าไปถึงได้หนึ่งจะต้องเจอกับพระอริยะหรือสัตว์บุรุษได้ความธรรมคาสอนแล้วมีความใครค่ครวนพิจารณาฉลาดในธรรมของพระอริยะหรือธรรมของสัตว์บุรุษแล้นำมานามาปฏิบัติตามมันจึงจะเดินทางได้ไม่งั้นก็รู้นั่นแหละ หลงลุ่ไหลไปอยู่นั่นแนะยากเราย้ำนักย้ำหนาพระพุทธเจ้าสอนนักสอนหนาบอกให้พิจารณาทุกวันทุกวันทุกวั น, วนถ้าเราปล่อยให้ชีวิตนี้ตกอยู่ในอํานาจของอวิชชาของอานาจของโบหะปล่อยให้มันไหลลงไปเรื่อยตามไปเรื่อยให้ใจมัน ไอ้ถูกนี่วอนถูกวิชาปรุงแต่งมาเป็นกิเลเป็นอารมณ์อันเป็นลบแต่เราไม่รู้เราก็หลงเพลิอนอยู่กับความเป็นลบนั่นแหละมันอยากได้อะไรเอาอยากทำอะไรทำอยากเป็นอะไรเป็นอยากกินอะไรไ ป, ไ ป, ไ ป, ไปล่อยปล่อยปล่อยยเปอยเราแค่ว่าเออตามใจตัวเองแค่นั้นอะแต่หารู้ไหมผลมันหนักกว่านั้นเราตามมันไปครั้งหนึ่งตามใจเราไปครั้งหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกอไอ้เรื่องนั้น่ะมันจบไปแล้วแต่มันไม่จบ มันจะโตผลึกลงไปที่จิตของเรากลายเป็นอาสวะก้อนใหญ่และทําให้เราละยากขึ้นเรายากขึ้นยากขึ้นได้ในที่สุดพอตาหูจหมูกลิ้นกายไม่สามารถที่จะไปเสพสิ่งเหล่านี้ได้แต่อาสวะมันมีอยู่เออนี้วนยังเพ่นพานอยู่จะทํำยังไงเออมันจะดีดดิ้นทุรนทุรายนะอืม ตอนอายุมากๆแก่ๆแล้วหนังเหี่ยวหมดแล้วทุกอย่างมันเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยก็ยังพอนั่นได้หน่อยนะถ้ามันเป็นตอนเด็กๆตอนหนุ่มสาวตอนยังตึงยังตึงยังดีอยู่เนี่ยแล้วมันใช้การไม่ได้แล้วทีนี้อาสวะยังอยู่ทําไงอะฮะยิ่งถ้าเกิดมียศถาบรรดาศักดิ์เป็นหูหนุหัวนหน้าลูกน้องบริวารเยอะแยะมากมายไปไหนคนก็ก้มหน้าก้มตาให้แต่ตอนนี้มันไม่ได้แล้วเนี่ยจะทํำยังไงเนี่ย จะรับมือกับมันไหวเปล่าเฮ้รับมือกับมันไม่ไหวอืมรับมือกับมันไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำตัวให้เป็นผู้ฉลาดควังโอวาทของพระพุทธเจ้าได้เชื่อในพระองค์มาพินิจพิจารณาอย่ามารอว่าเออเดี๋ยวรอให้อายุมากกว่านี้หน่อยเดี๋ยวรอให้อายุมากกว่านี้หน่อยรอให้อายุมากกว่านี้หน่อยมันไม่ได้นะ อืมนไม่ได้พระพุทธเจ้าเกิดมาบนโลกเนี่ยเพื่อเปิดทางส่องสว่างให้กับสองจุดสองสว่างไปนในที่มืดชี้ทางให้กับคนที่หลงทางหายของที่คว่าอยู่ให้ลองพิจารณาดูนะว่าเรามืดอยู่กับอะไรหลงอยู่กับอะไรคว่าอยู่กับอะไร แล้พระพุทธเจ้าหายให้เราขึ้นมาอย่างไรจุดแสงสว่างลงในที่มืดให้กับเราอย่างไรชี้ทางให้กับเราอย่างไรอะไรเป็นตัวที่ทําให้เราหลงอะไรเป็นตัวทําให้เรามืดแล้วพระพุทธเจ้าชี้ทางความหลงให้เราอย่างไรส่องแสงสว่างให้เราอย่างไรให้เราจะต้องมาคิดพิจารณาจุงนี้ถ้าเราได้ตรงนี้เราจะรู้สึกว่าเราแม่ โคตรภูมิใจที่เกิดมาแล้วเนี่ยได้เจอกับพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะรู้สึกดีใจรู้สึกชีวิตมีคุณค่ามากที่เกิดมาแล้วได้เจอกับพระพุทธเจ้ารู้สึกว่ามันโอ้โหมันเป็นอะไรที่ประเสริฐเหลือเกินที่ได้เจอพระพุทธเจ้า แล้วทุกอย่างมันดูดีไปหมดเลยได้เกิดมาเป็นลูกพ่อลูกแม่คนนี้ได้เกิดมาอยู่ในตระกูลนี้ได้เกิดมาอยู่ในบ้านนี้ได้ทํางานอยู่ตรงนี้ได้เป็นอยู่ตรงนี้ได้ไปตรงนี้ได้ทําอย่างนี้โอ้ดีไปหมดอ่ะมันรู้สึกดีไปหมดอ่ะเมื่อได้สัมผัสกับความหมายอันแท้จริงประจับใจกับความมีพระพุทธเจ้าไม่เช่นนั้นไม่มีทางมันไปไม่ได้อย่างที่บอกฮะที่พระพุทธเจ้าว่า กติหัง่งกติกติหั่งจริยะสามัญยังณนะจิตตังนะนิวารเยว่าคนเนี่ยจะประพฤติปันธรรมนานเท่าไรก็ตาม <c oughs> ถ้ากำลังในการที่จะละอกุศลจิตที่เกิดขึ้นที่ใจไม่มีมีไม่พอ นั่งไปก็ไม่มีประโยชน์นะที่หลวงปู่หลวงพ่อบางองค์ท่านพูดเจ็บนะบางองค์บางองค์มันเป็นพระป่าท่านพูดตรงๆพูดอัดพูดทำหลวงพ่อหลวงปู่หลวงพ่อวัดป่าเนี่ยท่านพูดอัดพูดทำอีสั้นพูดตรงบอกนั่งเงินก้นเน่าก็ไม่ได้อะไรนี่ไม่ใช่คำไม่ใช่จานวนธรรมานะไอ่หลวงปู่หลวงพ่อแถววัดป่าเนียท่านพูดนั่งเงินก้นเน่าก็ไม่ได้อะไร เพอนั่งแล้วไอ้กำลังในการที่จะเวละอาโกทนในใจมันไม่มีไม่ใช่ท่านพูดเองแต่อัดทมที่ท่านได้นะมันไปตรงกับความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าสอนขึ้นชื่อว่าธรรมะของคำสอนของพระพุทธเจ้ามันจึงไม่มีใครเปลี่ยนแปลงได้ไม่ใช่ใครบัญญัติมันเป็นของจริงเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้นามาสอน ไอเรามาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเวลาเราพูดในสิ่งที่พพระุเราไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าแต่ที่เป็นอัดเป็นตำนั้นมันตรงกันหมดนะมันลงได้กันหมดนะภาษาหลวงปู่หลวงพ่อนะอย่างหลวงปู่องค์หนึ่งก็ไปถามว่าหลวงปู่พุทโธเนี่ยไปพาไปนิพพานได้ไหมเฮ้ยพระนิพพานมันมันเป็นของแค่พอกับตัวเข้าใจไหมไอ้เวลาเราไปนิพพานเนี่ยนิพพานเป็นของแค่พอตัว อะไรก็เข้าไปไม่ได้ทั้งนั้นนะพุโทโธก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เชื่อพ้าก็ไม่มันมันพอดีกับตัวเป๊ะเลยห <c oughs> <c oughs> ลวงปู่ตอบมันเป็นของพอดีกับตัวเป๊ะเลยมันไม่มีอะไรเข้าไปได้มันพอแก่ตัวแต่เราจะต้องอาศัยพุโทโธไปนี่พานหลวงปู่ว่าเออตอบถามปั๊บตอบปุ๊บเนี่ยอัตธรรมของพระ อันทำของพระไอ้หลวงปู่ที่ว่านี่ชื่อท่านก็เก๋ด้ยนะชื่อหลวงปู่ไดโนเสาร์โอ้กิจท่านคมมากถ้าใครไปกราบไปไหว้เนี่ยไ ป, ไ ป, ไปหัดเดินทางไปกราบไปไหว้มั่ไงหลวงปู่หลวงพอ่อเดี๋ยวนี้เหลือน้อยแล้วนะไปเรื่อยๆนะโอกาสเยอะมากเนี่ยหลวงปู่บุญเดริศก็จะวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนานีพระราชทานเปลิง หลวงปู่ท่อนไปแล้วโอ้ยไปกันหมดแล้วแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยคมเพื่อนะ่ะวันก่อนไปงานกับหลวงปู่บุญมาดูตันตัวเล็กเแต่คมมากไป ต, ตื่นคมรอบคอบปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับป๊บเป็นธรรมชาติดองนั้นอัตธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยแม่เรารู้ไม่หมด แต่เมื่อเราปฏิบัติแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่เป็นธรรมปรากฏกับใจกับตัวเราเนี่ยมันฉดรับกันหมดนะเข้าได้กันหมดอ่ะไม่มีขัดเพราะมันเป็นตัวธรรมที่แท้หลวงปู่ผู้เจ้าบอกว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมนั้นต่อปฏิบัติสักกี่วันกี่วันก็าตามถ้ากำลังในการหักห้ามอากุศลในใจไม่มีไม่ได้ไประโยชน์ หลวงปูบ่บางองคทำปฏิบัติท่านได้ทำแล้วก็ท่านบอกว่า <Hey. S 1> นั่งยังก้นน่าเออมันเหมือนกันไหมมันเหมือนกันนะคว่ <laughs> า <laughs> เพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้เรื่องอย่างนี้นี่เราก็รู้สึกว่านี่งั้นตามาในวันนี้ยกขาไม่ขึ้นลเลยนะ <laughs> เพราะไปเจอเมื่อคืนไปนั่งมาหลายชั่วโมง ก็จะกลับมาถึงวัดก็เที่ยงคืนเช้าขึ้นมาก็มานี้ขาหนี้เราเรียกว่าเดี้ยงเราต้องห้อยอย่างเงี้ยแต่ถ้าพอเป็นอย่างนี้เล้วไม่ทางานนะเสร็จแพ้มันเราก็ทำวางมาอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวให้มันดีขึ้นก่อนแล้วก็ยกเพราะฉะนั้นอย่าเห็นว่าเราเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่าเห็นว่าเราอยู่อายุยังไม่มาก อย่าเห็นว่าเราอายุยังน้อยอย่าไอ้ท่านทังหิกระตูปุญญังอย่าพลัดวันประกันพุ่งเรื่องทั้งหลายเสียเวลาทั้งนั้นอ่ะถ้าเราเคลื่อนไหวกับอานาจของอวิชชาตันหาอุปาทานเสียเวลาทั้งสิน้นแต่เมื่อเราเข้าใจของพระพุทธเจ้าเนี่ย เราเข้าใจแล้วเรายังเคลื่อนไหวแบบนั้นแหละแบบเดิมนั่นแหละไปอยู่บ้านอุยยุ่งของเยอะแยะมากไม่งามใครไม่อะไรเนี้ยยุ่งุกมากอยากจะมาอยู่วัดก็มาไม่ได้ยุ่งเหลือเกินเนี่ยเนี้ยเนี่ยจะไปตั้งแต่วันที่เท่านั้นไปไม่ได้มันยุ่งแต่ถ้าเข้าใจธรรมะแม่ยุ่งก็ไม่ยุ่งอ่า เข้าใจไหมแม้ยุ่งก็ไม่ยุ่งโลกเนี่ยมันเป็นสิ่งสมมุติที่ปรุงแต่งตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีอะไรแน่และไอ้ที่เราบอกว่ายุ่งยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งยุ่งอะไอ้ทิ้งที่ถูกยุ่งอ่ะมันมีไหมมันก็มีเป็นปรุงแต่งไปอย่างนั้นแหละไอ้ตัวยุ่งจริงๆคืออะไรใจเราือใจเราเนี่ยเป็นตัวยุ่ง เป็นธาตุยุ่งเข้าใจเปล่าเป็นตัวยุ่งเป็นธาตุยุ่งเป็นตัววุ่นวายเป็นธาตุที่วุ่นวายใจเราเนี่ยแล้วมันยุ่งมันวุ่นวายด้วยอำนาจของอะไรด้วยความไม่รู้อแต่เราไปกลับไปคิดว่าโอ้ยนี่ก็ไปปฏบบิบัติธรรมที่วัดนั่นได้ทั้งสองามคือน่าสบายไม่ต้องเห็นไม่ต้องรู้ไม่ต้องอยู่ใกล้มันจะสบายไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นมัน มันเสพสุขมันแค่เกือบดีนะแต่ว่าในชีวิตจริงเมื่อเราได้มันแล้วเราจะไม่ยุง่งเราจะไม่ยุง่งอโลกที่มันสมมุติขึ้นมาเนี่ยที่มันประกอบเมื่อเช้าเนี่ยพูดถึงเรื่องของความเป็นธาตุดูความเป็นจริงของความเป็นธาตุดูมันธาตุสีดินน้ําลมไฟก็ดูไปอะข้างนอกอะ่ะ ที่มันผสมปะสานปรงแต่งเป็นทัพผสมภาระขึ้นมาแล้วเอาอนิจจังทุกขังอนัตตาไปจับบ้างเราก็จะปลดเรื่องภาระนั้นออกไปแต่ว่าเมื่อทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วให้ย้อนกลับมาที่รูปนามนี้ที่กายใจนี้ไอโดยความเป็นธาตุก็มามองที่กายนี้แล้วก็ฝึกฝนให้มันเห็นความจริงมั่ง ไอ้ความจริงที่มันไม่อยากเห็นเลยความจริงที่มันไม่อยากจะสัมผัสเลยเอาเมื่อเช้าพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าใช่ไหมเออพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าพุทธเจ้าว่าให้พิจรารณาดิอิมังปูติการยังปัตตาวาอาติวิยาชิกุตเจริยังชาญาติให้เสื้อผ้าเนี่ยที่สวมใส่อยู่เนี่ยเดิมมันเป็นของสะอาดพอมาแตะต้องกายนี้เข้ากลายเป็นสิ่งสกปรปกเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านต้องถอดถอดแล้วมาใส่ไหมใส่ไม่ลงแล้ว เพราะอะไรมันสกรปรกมันสกรปรกเพราะอะไรเพราะมันแตะต้องกายนี้ไงมันแตะต้องกายนี้ไงเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยมันแตะต้องกายนี้พอแตะต้องกายนี้ก็กลายเป็นสิ่งสกรปรกอือใช่ปะ่ะเออพระเจ้าว่าพิจารณาเนีย น, นโอ้มไม่มีหาอะไรเลยเนี่กายนี้มันมีแต่ปฏิกูนทั้งนั้นเลย เราลองพิจารณาเข้าไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพื่อให้จิตมันยอมรับแต่พิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาบ่อๆพระในพระพุทธเจ้าบอกให้พิจารณาทุกครั้งที่ใช้พิจารณาทุกครั้งที่กินพิจารณาทุกครั้งที่นั่งพิจารณาทุกครั้งที่นอนพิจารณาทุกขณะทุกขณะนีน่พิจารณาไปพิจารณาอะไรมันก็สัมผัสสิจิตมันเปิดออกมาโอ้ยรูปนี้มันเป็นสิ่งปฏิกูลอืม หลวงปู่หลวงพ่อบางองอ่ะท่านพิจารณาพิจารณาจนเห็นร่างกายนี้เหมือนกับถุงหนังเหมือนกับถุงหนังอ่ะที่เอาของเน่าเน่ า, นาบูดบดูเสียเสียใส่ลงไปใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วผูกปากถุงไว้แล้วเขียนข้างนอกด้วยวิจิตงดงามพิส ด, ดารพวกคนโง่ทั้งหลายก็ไปลงกันที่หนังกำพร้านัน่นแหละ <laughs> อ่านี่ เปิดโอกาสให้ใจเรามันได้พิจารณาด้วยความเป็นจริงแบบนี้อพิจารณาอย่างนี้มันได้อะไรมันได้ที่จิตมันกำทราบกับของจริงพอของจริงเห็นแล้วสังเกตแล้วมันก็ไม่หลงอ่าใช่ไหมแล้วมันหยุดยังไไดยดย้งอะไรได้หยุดยั้งอะไรได้ลองคิดดูที่มันหยุดยั้งการมาราคะไอ้กิเลสตัวนี้ใหญ่ที่สุด ใหญ่มากที่เป็นตัวกิเลสแล้วนะถ้ากําลังมันลดน้อยลงมาหน่อยหนึ่งแค่นั้นเองนะลดลงลดลงมาแค่หน่อยหนึ่งนะมันก็จะเป็นกัลยาณปุตุชนที่เป็นปุตุชนคนหนาด้วยกิเลสก็ด้วยอํานาจของกรมราคะที่มีกําลังมากอืมเมื่อเช้าที่พูดให้ฟังว่าถ้าถ้าเรารัก และเราบอกว่าเบตตาใช่ไหมถ้าเรารักแล้วเราบอกว่าเบตตาลองดูไอ้คนที่เรารักสิมันไม่ทําตามเราเราโกรธมันไหยฮะเราโกรธมันไหยโกรธแสดงว่ารักของเราไม่ใช่เบตามันคือกามราคะอืม ถ้ามันเป็นเบตา้ามันไม่ทำตามเราเป็นยังไงฮะเราก็ต้องมาเป็นอุเบกขา <c oughs> <c oughs> แล้วมันไม่ใช่ว่าหญิงชายชายหญิงพี่น้องพ่อแม่เหมือนกันหมดเอ้าอยากให้แม่เป็นแบบนี้แ้วแม่ไม่เป็นดังที่ใจเราปรารถนารู้สึกเป็นไง ใจแล้วกันนี่คืออะไรกามราคะอยากให้ลูกเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่เป็นดังใจเราหมายรู้สึกเป็นไงโกรธนี่คืออะไรเบตตาหรือเ อ, อ่กกามาราคะและ้วมาบอกว่าโอ้ยอย่างนี้พ่อแม่ก็ไม่ต้องไปฝึกฝนไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงลูกนะที่บออ้าวจำเป็นอะไรที่เราไปบอกเขาให้เขาทาเขาไม่ทำ จำเป็นอะไรที่เราต้องไปโกรธและการที่เราไปโกรธเขาทำให้เราไปปรับปรุงเขาได้ง่ายขึ้นไหมไม่ง่ายในขณะเดียวกันเมื่อจิตกลับไปอยู่ที่อุเบขาวางเฉยเสร็จแล้วมันก็มีปัญญาสาทางที่จะหาวิธีที่ดีที่ถุดไปปรับปรุงเขาได้ถูกว่าละ่ะเออแต่ถ้าไปไปโกรธไปเสร็จเรียบร้อยโอ้โหคุณกันทั้งแต่ก้นบ่ก้นอง คุณนั่งแต่ก้นโอง่งกลางโอง่งปากโองจะกินก็ไม่ได้อย่าว่าแต่กินเลยแค่ชะเง้อมองลงไปจะตักมาล้างมือได้ไหมไม่กล้าแล้วมันสกรปรกหมดทั้งโอ่งแล้วก็เหมือนกันนี่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นการการพิจารณารักษาจิตฝึกฝนจิตเนี่ยโห้ยมันมหาศาลเลยไอเราเรื่องพวกนี้เราได้เพราะอะไรได้เพราะพระพุทธเจ้าทั้งนั้น ได้พระเจ้าทั้งนั้นอ่นพวกหลวงปู่หลวงพ่อทั้งหลายแลยอยู่ใกล้ๆบ้านนะอย่าจะเป็นลืมนะแล้วไอเที่ยวกระแสกระแสที่ทำให้เกิดพอเราฟังข่าวเสบข่าวแล้วจิตตกฮะวามข่าวเสบข่าวแล้วจิตตกมันจิตตกเพราะอะไรเออนั่นนะมันจิตตกเพราะอะไรเพราะจิต มันปรารถนาที่จะได้ยินข่าวที่มันถูกใจเอ่อมันปรารถนาที่จะได้ข่าวที่ถูกใจถูกใจแม้แต่นั่งดูนักการเมืองดีเบตกันนะเออเออนั่งดูการเมืองเขาดีเบตกันนะพอเราเชียร์ไอคนนี้ขนาดมันพูดหวยแตกนะ เราก็บอกว่ามันดีนะอนนี่เป็นอะไรกา马拉คะอีกคนหนึ่งนะเบื่อกี่หน้าเลือกเฒ่าเหล่ากอมันมาตั้งนานแล้วแต่ว่ามันพูดดีนะโยบายดีเราว่ารู้สึกยังไงรายสาระหวยแตกอันนี้เป็นด้วยอำนาจของอะไรการาคะนั่งดูละครนะ่ะพอเปิดปับ๊บดูไปสักพักหนึ่งน้ำตาไหล น, นางเอกมันถูกรังแกด้วยอะไร นี่กามาราคาะนั่งดูไปดูมาไอนางอาอจฉาเกิดดูัติเหตุรถพลิกความแขนหักขาหักสะใจนี่เป็นอะไรการมาราคาะตัวนี้ใหญ่สุดเลยจำไว้เลยนะอื <c oughs> มใหญ่สุดเพราะฉะนั้นปราบเขาโดยตรงต้องหันมาปราบที่ไหนที่รูปรูปตัวนี้โดยใช้วิชาของพระพุทธเจ้าพิจรณาผมขนเล็บ ก, กวนหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยให้เห็นความเป็นจริงของมันว่ามันมีสีมีกลิน่นมีสันฐานที่เกิดที่อยู่เป็นอย่างไร อ, อย่างที่เคยพูดได้ฟังมาตลอดนั่นแหละละเลยไม่ได้พิจารณากขาไปอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราก็ลองบูมัง่งสิเวลาตากเข้าไปในะพิจารณานมันเป็นเป็นแค่าวาาัฏานอาหารนี้เป็นคาข้าวเดิมทีเป็นของสะอาดเมื่อแตกต้องกายนี้เข้ากับกลายเป็นของส ก, กรปรก รถตักมาเคลืมคำหนึ่งอะใส่ปากใส่ปากเสร็จเอ๊ะเดี๋ยวเอาออกมาก่อนถือข้าวไว้ฮะเดี๋ยวเดี๋วเนี่ออกออกยังดีมากนะนี่ยังแบบรูปยังอยู่อย่างเดิมไม่ทันเคี้ยวนะเนี่ยเม็ดข้าวก็ยังเป็นเม็ดอะไรก็ยังดีอยู่ว่าข้าวไว้ก่อนเดี๋ยวทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวค่อยกินของตัวเองนะ เป็นไงอ่ะเ <c oughs> มื่อทให้เตือน <c oughs> เออตักอย่างดีเลยเนี่ยเอา อ, อาหารอย่างดีเลยตักเข้าไปใส่ช้อนเสร็จใส่เข้าไปในปากไม่ทันเคี้ยวออกมาก่อนคาไว้เนี่ยพระเจ้าว่าอิมังพุติกะยังปตะวะอติวิยาชิกุจชะนิโยชายติเมาเดิมทีมันเป็นของสะอาดอิมังพุติกะยังปตะวะ กรั้นมาแตกต้องกายนี้เข้าตักเขาไปในป่าใช่ไหมไอ้กายออกมากลับกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจแล้วเนี่ยเราก็ลอ ง, งพิจารณาอย่างนี้เพราะอะไรมันถึงน่ารังเกียจเพราะไอ้กายเนี่ยมันเป็นสิ่งโศกกระกโตกโฉโครกใช่ไ้มล่ะมันเป็นสิ่งปฏิกูลใช่ไ้มล่ะเออตรงไหนล่ะที่ไม่ปฏิกูลไม่มีเออตรงไหนนี่ไหม ไม่มีเนี่ยอตูรกายอย่างเราว่าเป็นกายเนี่ยเป็นของกระสับกระส่ายเป็นของรั่วเป็นของเน่าเนี่ยกายของเราเนี่ยถ้าเราสามารถพิจารณาเห็นกายของตนอย่างนี้ได้มันก็จะไปดับไปลดอำนาจลดกำลังของกาม า, าคะเคี้ยวข้าวเหมือนกันนะทีนี้เราเราเร า, เราไม่ใครออกมาทีนีเราใส่ไปแล้วล้วก็ เควหลงเขี้ยวแต่เดิมมันเป็นเม็ดข้าวเป็นปลาเราก็ต้องไปเลือกใช่ไหมแต่ก่อนเนี่ยเราก็ไปเลือกเราไปซื้อฟักซื้อปลาซื้อมะ น, นาวซื้อเครื่องซื้ออ ย, อย่างดีเลยจัดตามกำลังถึงแยกเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นก็หันๆัๆนนั น, น, นเปิดยูท b e ฮะ ไม่ให้ผิดสูตรเ<ง>ติมทุกอย่างตามสูตรฮะฮะปิงไหมเออเปิด youtube แล้วก็อันนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้ใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้อันนี้ใส่อันนี้นนนนนนนนตักน้ําเติมน้ําเท่านี้ใช้ความ ร, ร้อนขนาดนี้ตั้งไว้พอมันเดือดอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บโหหอมนาเสร็จแล้วก็ตัก อยู่ในช้อนแล้วใส่ก็ไปกึ๊บนีเราลงมือเคี้ยวอร่อยช่วงไม่ใช่ทีนี้เราอ่พชิมกะ ป, ะปะ๋าปั๊บอร่อยเราใช้เวลาในการปรุงกว่าจะสำเร็จเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่โห้กึกจ้มองพอเหรอ ไปใจตลาดกลับจากาจตลาดแต่ละอย่างแต่ละอย่างไปดูนู่เราใช้เวลาเท่าไหาร่ ก, กรว่าจะปรุงเสร็จปรุงเสร็จจะกินนี่ไม่ได้นะอำนาจของกรรมอำนาจของกรรมราคะดูนะจะกินเนะี่ยไม่ได้ดไ<ห>กดทรัพท์ไม่กดสงลายกลุ่ม พ่ออยู่ไหนแม่อยู่ไหนอไอคนนั้นอยู่ไหนอยู่ไหนมาเร็วๆแกงเสร็จแล้วมาๆๆนั่งรอ อ, อำนาจกรรมเราเสร็จก็ถ่ายรูปส่งไปให้ดูถ่ายรูปส่งไปให้ดูเออว่าไปนี่กรรมราคาตทางนั้นนะกลับมาถึงนั่งพร้อมหน้าตักปับป๊บใส่ปั๊บไอคนนี้ผม อ, อร่อยไอคนนู้นบอกว่าไงอร่อยอันนี้ก็บอกว่าอร่อยอันนี้บอกว่าอร่อยความอร่อยกี่วิ เอาความจริงในชีวิตเนี่ยกี่วิพอเราตักใส่ปากเราเคี้ยวพบอร่อยกี่วิประมาณนั้นนะไม่เกินห้ า, าหลังจากนั้นไม่มีแล้วไม่มีแล้วก็เคียเค้ยวเค้วเคียเค้ยวเวเยวทีนี้พอเราพอมันไม่มีแล้วทำไงเราก็รีบกลืนดีเพื่อที่จะตักใหม่มขึ้นมาให้มันลิ้มอะไร ลิ้มฟวามอร่อยประมาณสามวิอีกเคียเค้ยวเค้วเยวเราก็ทำไงก็รีบปืนเข้าไปเออทีนี้เราลงในอย่างนี้เราตักปับ๊บใส่ปากอืมอร่อยอย่ากินเคี้ยวต่อไปดีด้วยนะแพทย์บอกว่าเคี้ยวไว้ได้สามสิบครั้งอย่างน้อยต่อคำจะทำให้อายุยืนเพราะว่ายืดอายุให้กับกระเพาะอาหาร เราก็เคี้ยวไปแล้วให้จิตมันรู้สึกกับการเคี้ยวนันเคี้ยวไปเรื่อยๆอยากกืนนะเคี้ยวไปเรื่อยๆสาบคแล้วบวกไปอีกอย่าหยุดเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวไปอยากกืนนะเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆเคี้ยวไปเรื่อยๆพอมันผสมกับน้าลายเราแล้วมันก็จะเต็มปากกรวกเกลียกรวกเกลียอยู่ข้างในแล้วใช่ไหมเอาละได้เวลากึน ค่อยๆตอนนี้รู้สึกยังไง <laughs> ตอนนี้รู้สึกยังไงจะกลืนล้วเนี่ยฮ <c oughs> ะเราจะกลืนแล้วเป็นไงฮะ <c oughs> <c oughs> ตกลงมันเป็นยังไง <c oughs> โอ้โหและไอ้ที่นอนอยู่ในกระเพาะของเราเนี่ยมันก็อย่างนั้นแหละ การที่เราเคี้ยวมันละเอียดเคี้ยวไปนานๆนนๆานๆกับลงไปในกระเพาะน้าย่อยออกมาด้กับกระพาะอาหารที่ช่วยกันย่อ ย, ย อ, ยย อ, ยยอยอยอยู่ข้างในอะ่ะมันยิ่งกว่านั้นไหมมันมีอยู่ไหนมีอยู่ในกายเราเนี้ยมันมีอยู่ในเนี้ยเออนี้เรื่องอาหารคิด ด, ดูดิเอาแล้วไปไหนอ่ะพอลงในกระเพาะเสร็ โอ้โหเออไปนั่นวิ่งเดินทางเดินทางเดินทางไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยรื่อยลำไส้ก็ดูดซึมดูดซึมไอ้ส่วนที่เอาไปใช้เสร็จก็ไหลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่ยตามผนังหลับตาแล้วนึกภาพบอกอ <ๆ S 1> ก็ตามผนังกลับไปไหนนู้นวิ่งเดินทางเหมือนกับไอ้ขอพับผ้ายิ่งกว่าขอพับผ้ายนะๆๆๆๆๆ เดินทางยิ่งแบบระพ่ะ้าอ่ะกว่าจะไปถึงจุดหมายมเดี๋ยวลองลองนึกสภาพความจริงของเราแต่ละคนแล้วไล่จิตตามไปดูเราก็จะเห็นข้างในมันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลส ก, ร ป, ล ก, สกรปรกโสโครกอย่างนั้นถ้าเราศึกษากายในฐานะที่เป็นปฏิกูลอย่างนี้อะแล้วลองนึกดูนะอ้าวสมมติว่ามันช่วยไม่ต้องสมมติมันช่วยทำอะไรได้ ช่วยเป็นกำลังในการรักษาศีลได้ไหมได้อ้าวสมมติว่ามีราคะความกำหนัดเกิดคนรักษาศีลแปดอ้าวยกตัวอย่างเลยศีลใหญ่เลยหรือพระก็ได้พระเนี่ยพอเกิดปัจจัยวิ่งเข้าวนี้เลยมีไว้ทีเนี่ยมันตั้งอยู่ไม่ได้หรอกเพราะไอ้นูนมันต้องเกิดจากความเห็นว่าสวยว่างามใช่ไหมแต่ไอันี้จิตมันไปสัมผัสว่ามันไม่สวยไม่งามมันบูดมันเน่าอลไรมันจะตั้งได้ไงอะอะ ใช่เปล่าล่ ะ, ละเออเมื่อกําลังของมันถูกบันทอนด้วยการรู้ด้วยอสุภสัญญาและปฏิกรุสัญญาแบบเนี้ยกําลังของตัวนี้มันจะลดลงลงมาลดลงมาลดลงมาลดลงม า, ลลงมาเราก็สามารถคลายอารมณ์ได้สําหรับพระพระพุทธเจ้าเรียกว่ายาวิเศษแต่พระถ้าไม่ทําอย่างนี้นะเสร็จทุ ก, ร, ทกราเศรษฐุกราพระวันวันไปเจอคนเนี้ยหน้าตาหลากหลายเงี้ย เสร็จถูกหรไปเจอหน้าตาหลากหลายอย่างนี้มันก็หาแต่สวยๆงามๆหมดและใช่ไหมเสร็จหมดอ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนกันในทางการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าพิจารณาโดยความเป็นาธาตุกำหนดรู้และพิจารณาโดยความเป็นาธาตุโดยความเป็นปฏิูลโดยาให้เห็นของความเป็นจริงของมันบ้างแล้วทรงสรรเสิญว่าอาสุภานุปสิ้วิหรันตัง ผู้ที่อยู่ด้วยความพิจารณาว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นปกติเวลาเราฟังแบบนี้ว่าไม่สวยไม่งามเป็นปกติเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับมองโลกในแห่ร้ายเนาะแต่พอฟังอัตมาพูดวิ่งลึกเข้าไปแม้ถึงคำข้าวเราก็เห็นว่ามันเป็นของจริงเมื่อเราอยู่กับความไม่สวยไม่งามเป็นปกติ อินทรียเยสุสังบุตังและก็ให้พิจารณาสำรวมอินทรีย์สองอย่างโพชนามิจะมัดตันยุงกินอาหารแต่พอประมาณเป็นสามอารัตถวีริอย่างให้ปรารบความเพียร ไ, ไอสีอย่างเนี้ยให้มันเคลื่อนหมุนไปสีอย่างเนี้ยโอ้ มันจะเป็นยังไงทีนี้เคลื่อนไปทีอย่างพระพุทธเจ้าบอกว่ า, วา <c oughs> มาโรนัปตตังเวนับปะัะสานับปัศหติมาโรมานะมานทั้งหลายจะเบียดเบียนรังควานเราไม่ได้เวลาเราฟังอย่างนี้เราทำความเข้าใจแต่ว่า เวลาเราได้อาสุปอาปฏิกูลและสัญญาจริงๆเวลาเราไดอารมณ์อย่างนี้จริงๆโดยเฉพาะเวลาเรากินอาหารเราลองสักคำสิเย็นนี้กลับไปบ้านแล้วลองสักคำทลองสักคำที่ให้จิตมันสัมผัสกับความรู้สึกว่ามันน่าจะอิจฉเย็เยนฮะ ให้จิตมันสัมผัสกับความน่าสะอิดสะเอียนที่มันปรากฏเกิดชัดจริงๆแล้วเราจะต้องร่วมเข้าไปเนี่ยโอ้และความสัมผัสประจักษ์แจ้งกับอารมณ์เหล่านี้ที่เป็นความจริงแบบนี้ต่อไปเราจะประเจออันนี้เรียกว่าที่ะตะมาพูดเล่าฟังเราไม่อยากเจอแต่ความจริงเราเจอทุกวันเพียงแต่เราไม่รู้เข้าใจไหมเราไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงนี้ แต่เราเจอทุกวันไหมเราเจอทุกวันและเราก็พยายามจะหลอกจะหลอกว่ามันไม่บูรมันไม่เน่าให้ให้เหยื่อกับตันหาราคะให้เหยื่อกับอำนาจของการมาราคะโดยวิธีอะไรฉีดน้ำหอมพิกพ ก, พก <c oughs> แล้วก็แต่งติน่นแต่งสีสันโอ้ยแต่ละจานทำปรุงเสร็จตั้งมานี่เอาดอกไม้ประดับปดาไอ้ที่ตั้งกินไม่ได้นะ กินไม่ได้นะเด็ดจัดโอ้ยมันนี่เป็นธรรมะที่เป็นธรรมะจริงๆเราจะต้องหัดฝึกฝนตัวเราเองมาให่อย่าไปเข้าใจว่าเรายัางหนุ่มยังสาวนะแล้วก็อย่าไปท้อแท้ว่าเรามันแก่แล้วไม่ได้ยิ่งเดี๋ยวนี้อ่ยิ่ง เดี๋ยวนี้นะพูดถึงเรื่องนี้นะเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่รุกเข้าไปทุกที่ยึดตมาดูแล้วก็ขำดีเหมือนกันสามารถสั่งเช้าขึ้นมาก็บึกดูร้านไหน <c oughs> กดจึก ติ๊กออเดอร์นั่งรอมาแล้วเดี๋ยวนี้ยิ่งง่ายมากเลยไอ้ง่ายนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องกิเลสตัณหาเลยเข้าใจปะไอการที่จะเป็นธรรมเป็นอัดเป็นธรรมเนี่ยมันอยู่ที่เราจะจัดการเขาในอนาคตมันอาจจะเป็นแคปซูลเนี่ยอนาคตนะ ในอนาคตอาจจะเราอาจจะไม่มีเวลาพอที่จะต้องมานั่งกินแล้วพาระมันเยอะเหลือเกิน อ, อ, อย่างเดินทางเนี่ยไม่มีเวลาที่จะต้องไปเข้าร้านอาหารนั่งกินอาหารไม่มีเวลาถวนนั้นแล้วเพราะภารกิจมันมันเยอะเหลือเกินอาจจะต้องเป็นแคปซูลในแคปซูลหนึ่งนี่มีมูลค่าเท่ากับกินอาหารมื้อใหญ่อยู่ได้ ในอนาคตมันเป็นไปได้หมดอ่ะแต่มันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับการที่จะสร้างอัดสร้างทำให้กับใจของเรานะมันก็เพียงแค่รูปแบบที่มันเปลี่ยนไปเฉยๆแต่ตัวที่สัมผัสตัวที่ลิ้มมันก็คือลิ้นจิตอาศัยโสตรประอาอาศัยชิวหาประสาทเป็นตัวให้กรรมาราคะเข้าไปเสพในเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้น ของพระพุทธเจ้าจึงจัดไว้ตั้งแต่ก่อนโน้น2 0 0พันกว่าปีที่เรียกว่าอากาลิโกไม่ประกอบด้วยการคือมันจะไปในยุคไหน500ปีพันปีสองพันปีมาถึงวันนี้ 2,600 ปีหรืออีกส0 0พันปี 5,000 ปีต่อไปข้างหน้ามันยังเป็นอยู่อย่างนี้มันแยกกันชัด ไอ้เรื่องที่จะให้เป็นอาจเป็นธรรมกับไอ้เรื่องที่เป็นโลกสมมติที่มันแยกกันชัดเจนชัดมากเพราะฉะนั้นเราโชคดีที่ได้มีพระพุทธเจ้าเปิดทางง่างนี่เรียกว่าหายของที่มันคว่ําอยู่ชี้ทางให้กับคนที่หลงทางซองสว่างในที่มืดแต่และประโยคที่เขากล่าวกันไว้นี่มันชัดเจนมากแต่ว่าพวกเราเนี่ยมาถึงวันนี้แล้วอ่ะ เราจะต้องหันมาพิจรารณากายของเราอย่างที่ว่าเนี่ยให้จิตมันสัมผัสเลยดูซิมันเป็นธรรมะยังไงดูมันจะรู้สึกยังไงมันเป็นของมันอยู่แล้วแหละแต่มันไปเป็นที่กระเพาะอาหารเพราะปกติพอเราเคียเค้ยวเคีวเค้วคยวแล้วเราก็กลืนใช่ไหมไ ม, ไม่ไม่อำนาจของการมราคะตัวนี้นะ พอเราตักใสป่ปากเคี่ยวเสร็จในระหว่างที่เราเคี่ยวสัมผัสรสความอร่อยหมดไปปับ๊บการมราคะมันไปทํางานตรงไหนฮะไปตะล่อมตะล่อมใหม่วิ่งกับไปเสพตรงนั้นผสมอนี้ผสมอันี้ใหม่ในขณะนั้นความอร่อยในนี้หมดแล้วนะกําลังเคี่ยวเพื่อให้กลืนลงอย่างปลอดภัยก็ไปนี่เล เออเมื่อกี้มันเค็มไปนิดนต้องลดน้ําปลาไอ้นี่ก็ลดไปหน่อยกินตักใหม่คําใหม่ที่เข้าไปต้องแน่กว่านอนกว่าดูอืมได้ทีเกี่ยวสามวิจบทำไอ้นี่เกี่ยวกําลังจะกลืนแล้วก็ไปเอามาอีกเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่แบบนี้และสะสมมาเป็นอาสวะอยู่ข้างในแล้วก็โย่ผูกเราไว้ไม่มีทางที่จะไปสัมผัสกับมาได้แค่ควังพระพุทธเจ้าแล้วก็พิจนามันเท่านั้นอะ เห็นความเป็นจริงอันนี้ไอความรู้สึกที่ความรู้ที่เกิดจากการให้จิตไปสัมผัสกับความเป็นจริงเงินนั้นอย่างประจักษ์อย่างประจักษ์ก็คือว่าทําด้วยตนเองศึกษาด้วยตนเองพิจนารณาด้วยตนเองในตนเองและเกิดความรู้สึกขึ้นในใจของตนเองความรู้สึกอันนั้นเรียกว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นโดยประจักษ์กับใจของตน อันนี้ะมันเป็นธรรมะมันต้องลองอย่างนี้มั่งในชีวิตจริงมันเกิดขึ้นทุกวันแต่เราไม่ได้ดูและต่อไปที่เราจะต้องเจอกัน ม, มันไม่แตกต่างกันกันกบที่ธรรมะเคยสอนว่าทุกขเวทนาที่เกิดกับกายทุกขเวทนาที่เกิดกับกายของเรา ทุกเวทนาที่เกิดเนี่ยเราใช้ธรรมชาติของอิริยาบถเข้าไปดับพอมันเมื่ อ, อยตรงนี้เห็นไหมเมื่ อ, อยตรงนี้เราก็ข ย, ยับมันก็หายเนี่ยอิริยาบถอย่างเงี้ยมันดับทุกเวทนาให้ อ, อิริยาบถมันบังทุกมันก็หายอาการที่จิตเข้าไปก่อให้รู้ให้เกิดเป็นอิริยาบถขึ้นเพื่อการดับทุก จิตนี้วิ่งเข้าไปเสพด้วยอะไรการมารค่าคงจะเก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเก่งแล้วเนี่ยเนี่ยพอนั่งแล้วมันรู้สึกเมื่อยใช่ไหมโอ้ยสบายด้วยอํานาจของอะไรการาค่าอีกแล้วนั้นอีเดียบทที่บังทุกขเวทนาอยู่เนี่ยนี่คืออีเดียบทและในอนาคต ถ้าเราไม่มีโอกาสใช้อิริยาบถเลยนอนรมอย่างโยมคณเมื่อวานเนี่ยนอนทรมอย่างคุณเมื่อวานนี้ททำไงไทำยังไงไม่มีอิริยาบถให้จิตก็จะต้องเป็นไงรับรู้กับเวทนาทุกเวทนาตัวนี้อย่างชนิดที่เรียกว่าไม่มีอิริยาบถเข้ามาช่วยเลย ลองดูทลองนึกภาพเวลานอนบนเตียงเรามีโอกาสนอนนอนบนเตียงไหมฮะอย่าบอกว่าคนอย่างฉันไม่มีอ่ะไม่มี <laughs> มีโอกาสไหมมีผม ม, ม, มันทรมานขนาดไหนอ่ะลองคิดดูดิขนาดก้าเข้าเผือกอ่ะเผือกแข็งอ่ะใครเคยเข้าเผือกบ้างอึดอัดขนาดไหนคิดดูเข้าเผือกแข็งเผือกขา เียโอ้บางคนมันฉีกเผือกทิ้งเลยทนไม่ไหวแล้วอันนี้มันทุกเวทนาที่จะเกิดในในยามที่กายขยับไม่ได้เนี่ยมันหนักกว่านั้นเยอะหนักมากบางคนนอนยังไม่พอหายใจเนี่ยก็ต้องมีหลอดไอ้นั่นเสียไว้ข้างในอันนี้ภาคบ่ายนี่จะคุยเรื่องกายหมดเลยนะ คุยเรื่องกายกายของพวกเราไม่ได้พูดในรักนณะาการว่าสาบแช่งให้พวกเราเป็นอย่างนั้นแต่ว่ามันจะต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วเสียบเข้าไปที่ปากเจาะที่คอเสียบแขนล็อกขาแต่บางคนน่าเวทนาจาังวะคอก็เจาะจมปากก็เสียบจมูกก็ใส่แถมมือ เขายังเอาถุงมาสวมและเอาเชือกมาผูกเพราะว่าสเปชสปะมันรำคาญอะ่ะสู้เวทนาไม่ไหวจะไปดึงโน่นดึงนี่เขาก็เล ย, อยไอ้พยาบาลมันก็ไปผูกไอ้เราเข้าไปอย่างเงี้ยบางทีก็ได้หน้าสงสารไปถึงอ่จะใส่าบาทลูกหลานเอาสาบาทอา้าวไม่มีลูกหลานด้วยมีแต่ลูกจ้าง เอาคุณลุงใส่บาทนะคะจะยกมือไหว้อันนี้ก็ผูกคางไว้ไหว้ไม่ได้จะไหว้พระก็ไหว้ไม่ได้โยกโยกโยกแขนอย่างนี้ก็ผูกติดไว้ข้างเตียงไอ้ไอด้านก็เลยค น, คนลูกจ้างก็แกะข้างหนึ่งพอพอได้ขยับมาได้ทั้งหมดเนี่ยเป็นทุกเวทนาที่เกิดขึ้นกับทุกคนเกิดขึ้นได้หมดเลย แต่เป็นเวทนาที่เกิดขึ้นจากความเสื่อมของกายมันเป็นปกติของกายนี้เป็นแบบนี้เพราะกายของเรานี้เป็นรังของโรคโรคทุกชนิดเกิดได้เป็นโรคมีหนอนอยู่8ดมื่นสี่พันจำพวกอยู่ในกายนี้สามารถที่จะเป็นโรคทุกชนิดได้และโรคทุกชนิดที่เกิดนั้นไม่ใช่โรคอะไรอื่นล้วนแต่เป็นบริวารของชารา อย่ามานึกทอ้ออกท้อใจฉันทำไมต้องช่วยนักหนาดูที่หลวงพอ่อมันเวนเวนมีกรรมอะไรไต้องไปสะดอกเพราะต้องไปปล่อยปลาไหลรอยแปดโอ้โหไปกันใหญ่และโยมือยไปปล่อยเต่าเข้าไปนี่แทนที่จะอายุยืนตายเร็วเพราะว่าเต่าตัวงหลายบาทอะ่ะ <c oughs> <c oughs> มันเป็นชะาโรคทั้งหมดเป็นบริวารของชราทำไม เป็นลูกน้องของชาราทั้งนั้นที่เขาสมมติชื่อเรียกมะโรงมะเรงอะชาราทั้งนั้นเครับคือถ้าเราไม่ตายเราจะเป็นโรคหลายโรคและทุกคนในที่ถดตายังไม่ตายเป็นมะเรงทุกคนอะมันเป็นบริวารของชาราและเราเกิดมาและเราตายไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดเกิดมาใหม่มันก็อีแบบเดิมนี่แหละ มาถึงเกิดมาถึงกอ็ออกมาจากท้องแม่เสร็จก็ได้รับไขรเขาเลี้ยงดูเสร็จก็หาตาก็จะหาแต่สวยสูให้หูก็จะหาแต่เพราะเพราะลิ้นก็จะหาแต่อร่อยอร่อยจมูกก็หาแต่ของหอมงอมกายก็จะสัมผัสกับสิ่งที่ถูก อ, อกถูกใจแล้วก็วาดวิมานความหวังว่าโตขึ้นมามีครอบครัวมีลูกรองคน ทำงานอย่างนั้นเก็บเงินสร้างบ้านอย่างนั้นอะไรอย่างนั้นเออให้ลูกได้มีทำงานเดียน น, นั้นเดียนนั้ น, อนอ่างนั้นและไอความหวังที่วาดมาทั้งหมดดูเหมือนมันจะได้ดังใจนะแต่สุดท้ายเป็นไงรักษาอะไรไว้ไม่ได้ไม้แต่อย่างเดียวมันเป็นไปหมดก็ไอเศรษฐีสองไอพ่อค้าสองคนน่ะไปค้าขายกันอพอไปค้าขายเสร็จกลับมา กลับมาจากค้าขายเกวียนห้าร้อยเล่มจอดอยู่ <c oughs> จอดเกวียนอยู่ทีนี้ในระหว่างที่ไปค้าขายเนี่ยไอพี่ชายคนโตทำหน้าที่ขายขายของไอน้องชายคนเล็กทำหน้าที่ไปซื้อของมาใส่เกวียนเพื่อที่จะขายคือคือกองเกวียนนี่เดินทางไปด้วยค้าขายไปเรื่อยใช่ไหม พอไปถึงใกล้กับวัดประเจดวันที่พักเวียนพักแล้วเห็นคนเดินกันเป็นแถวถือดอกไม้ทูกเทียนเยน็นมือใกล้ก็โปรเพลจะมืดแร้วสงสัยเหลือเกินไอ้คนพวกนี้ไปไหนกันเนี่ยพไปถึงก็ตามไปดูโอ้มาควังเทศควังเทศไปถึงควังพระพุทธเจ้าเทศเรื่องนี้แหละ พันธานาเรื่องเห็นถึงชีวิตที่ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตเรื่องอย่างนี้แหละก็ดูดูไปว่าสมบัตเหล่านี้เดิมทีเดิมทีปู่ก็ว่าเป็นของปู่เสร็จแล้วปู่ตายไม่ไดเอาไปเลยตกเป็นของพ่อพ่อก็ว่าเป็นของพ่อแต่นี้พ่อตายไป ไม่มีเอาไม่มีอะไรหายไปชิ้นเดียวที่ติดตัวพ่อไปตกมาเป็นของเราไอ้เราก็ว่าไอ้นี่เป็นของเรามันก็จะต้องไม่เป็นของเราออาไปไม่ได้แม้แต่อันเดียวในที่สุดแล้วมันก็จะเป็นของคนอื่นของเหล่านี้ไม่แน่นอนมันไม่ใช่ของเรามันมันไม่เป็นของเราจริงเนี่ยได้คิดได้คิดได้คิดขึ้นมาอืม แล้วนี่เราก็อยู่มาจานอายุป่านนี้เออทำยังไงดีบวช ด, ดีวะไปถึงบอกน้องชายเอ้ยน้องเออเกวียนเนี่ยพี่ยกให้เธอจับถิน่นสมบัติต่อไปของพี่นี่เธอครอบครองเป็นของเธอทั้งหมดเอา้าแล้วพี่จะไปไหนเดี๋ยวพี่จะไปบวชเอา้าพี่ตลกเปล่า อายุยังขนาดนี้ไปบวชทําไมร้อยมันแกกว่านี่หน่อยแล้วก็ไปบวชนไอพี่ก็บอกว่าชราชัดชริตาโหติหัตถปาดาอนัสวาเมื่อร่างกายนี้คล่าคล้าไปด้วยอํานาจของชราหัตถปาดาอนัสวะมือและเท้ามันก็ไม่เป็นไปตามแล้วว่าไม่ฟังแล้วมันจะไปปฏิบัติธรรมกระทั่งธรรมังจริตสติและจะไปปฏิบัติธรรมได้ยังไงน้องเอ้ย อืมเออตัวพี่ชายนะไม่ออแล้วพี่จะบวชแล้วตัดสิในใจเลยบวชเพราะว่าไปฟังเสร็จแล้วมานั่งพิจารณาในพิจงราถึงเรื่องกับว่าของเราที่เป็นทรัพย์สินสมบัติพพิจารณาไปพิจารณาไปไม่มีอะไรเป็นของเราเลยสมัยปู่อยู่ปู่ก็ว่าเออนี่เป็นของเราเอา้าเสร็จแล้วทำไมมันเป็นของพ่อของปู่อยู่อีดี พ่อพ่อพอก็พ่อก็ว่าของนี้ของเราแล้วทําไมอยู่ๆพ่อก็ไม่ได้ไปลงมาเป็นของเราอีกนี่เราก็ว่าเป็นของเราแสดงว่าอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะไปเป็นของคนอื่นมันไม่ใช่เป็นของเรา <laughs> เพวกคิดไปอย่างนี้คิดไปคิดไปคิดไปพิจารณาไปพิจารณาไ ป, าไปบวชเลยเรียกกระตุ้นไหลก็ได้สําเร็จเป็นพระอรรัตน์เรียกว่าถ้าเปิดจิตแต่มไม่ได้หมายความว่าให้พวกเราที่นั่งฟังอยู่นี่ บวชกันให้หมดนะผมพวกเราบวชกันหมดนี่พระก็ลําบาก <c oughs> แต่เปิดโอกาสให้ใจเราเนี่ยสัมผัสกับความเป็นจริงอย่าอยู่ด้วยความหลอกลวงเราจะมโนทุกวันสังเกตตื่นเช้าขึ้นมารู้สึกตัวนะจิตอะ่ะมันจะไม่หาความจริงอะ่ะมันไปมโนก่อน่ะคือมันหวังไวเ้เสมอว่าชีวิตฉันวันนี้ต้องดีดีจิตดีจิตเนี่ย ชีวิตเราวันนี้มันต้องดีอะไรก็ดีอะไรก็ดี ด, ด้วยอำนาจของกรรมแหละครับทไมถึงกล้าพูดว่าอย่างนี้รู้ไหมเพราะเมื่อเราเจอกับสิ่งที่ไม่ดีเรารู้สึกเป็นไงทุกข์ขัดใจนั่นหมายความว่าจิตมันมนโนไว้ว่าตลอดชีวิตตลอดชีวิตนี้ทั้งวันเนี่ยมันจะต้องดีเดินออกมาจะเรียกท็กที่ก็เจอแท็กซี่ดีคือนั่งรถก็ดีไปถึงที่ทํางานก็ดี ทำงานก็ดีเจอเจ้านายก็ดีเจอลูกน้องก็ดีเจออะไรก็ดีดีดีดีไปหมดอ่ะหวังนั่นคือมนโนแต่พอไปเจออาบสสิ่งที่มันไม่ถูกใจรู้สึกว่าไม่ดีใช่ไหมรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกว่าไม่ดีรู้สึกว่าไม่ ด, ม ด, มดีมันก็เลยมาจากอํานาจของกรรมละทั้งหมดเลยนั่นวิธีที่จะลดอํานาจเขาก็ต้องปฏิบัติแบบนี้แหละให้จิตมันสัมผัสในรูปนามของเราเนี่ยในกายนี้ในใจนี้ไอ้จิตมันได้สัมผัส กับความน่าสะอิดะเอียนกับความปฏิกูลที่เป็นจริงที่ปรากฏอยู่ในกายอันเนี้ยนั้นที่เคยพูดให้พวกเราฟังว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าพุทธมนต์คืออะไรคืออาการสามสิบสองใช่ไหมผมขนเล็บควันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับปังผืดไตปอดใช่ใหญ่ใส่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลนองเลือดเหงื่อมันคนน้าตาเปียวมันน้าไายน้ามูกไก ข, ข้อมูดนี่ พร้อมทั้งยื่อน้ำมันสมองรวมแล้วสามสิบสองประการอันนี้เป็นพุทธมนต์ให้จําให้แม่นท่องกลับไปกลับมาด้วยกลับไปกลับมาได้แล้วก็จะดขลังเกศาโลมานะขาดันตาตาโจเอเค่ห้าอย่างพอตะโจดันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานะขาดันตาจัดตาโจดันตานาขาโลมาเกศาท่องกลับไปกลับมาดังเนี้ยท่องไปเนี้ยมันขึ้นใจเนี่ยเป็นพุทธมนต์เป็นยาพิเศษ แต่เมื่อเสร็จแล้วศึกษาให้รู้เนื้อความศึกษารู้เนื้อความเสร็จแล้วก็ให้พิจารณาพิจารณาโดยอาการห้าอย่างพิจารณาโดยสีสันฐานรูปร่างกลิน่นและก็ที่เกิดที่อยู่ของมันเนี่ยไม่ใช่ได้เลยเนี่ยพิจารณาที่ผมไม่ใช่ผมคนอื่นนะเอาผมตัวเองขนก็ขนตัวเองเล็บก็เล็บตัวเองควันก็ควัญตัวเองหนังก็หนังตัวเองให้พิจารณาห้าอย่างพิญญาด้วยอะไรบัางสี ดูที่ผมของเราสีเป็นอย่างไรสันฐานรูปร่างเป็นอย่างไรกลิ่นกลิ่นเป็นอย่างไรออาตามจริงนะอกลิ่นเป็นอย่างไรดูที่ไอ้ที่เกิดที่อยู่ที่เกิดที่อยู่มันเป็นอย่างไรผมเราเราพิจารณาไปสิพิจารณาไปให้เห็นตามความเป็นจริงนะอ๋อผมของเรามีลักษณะเป็นอย่างไรเป็นเช้น รูปร่างลักษณะเป็นเส้นเส้นสีอะไรสีดำไอ้คนที่ขาวก็ว่าขาวไม่ต้องว่าดาตามมาตามานะสีดำมั่งขาวมั่งดอกโร่มั่งไม่แน่อ้าวที่เกิดที่อยู่เกิดอยู่ที่ไหนเกิดอยู่ที่หนังสีรระเอาตามความเป็นจริงเลยไล่เข้าไปเลยแล้วก็อยู่ยังไงที่เกิดของเขาที่ราบของผมนั้น มีลักษณะเหมือนตัวเหาเล็กๆขวังอยู่ในหนังหัวของเราในหนังศีรษะของเราและไอ้ตรงหนังหัวนั้นที่มันขวังอยู่นั้นมันชุ่มแช่อยู่น้าเหลืองน้าเลือดแล้วน้าเหลืองน้าเลือดนี่แหละเป็นที่เกิดของเส้นผมแล้วก็เลี้ยงเส้นผมนี้มาเส้นผมนี้เอากลิ่นเป็นอย่างไรกลิ่นเหม็นหรือไขรเทียมอะ ถ้าเราไม่ไปสระไปสางไม่ไปชําระชะล้างไม่ไปเที่ยวไปใส่โนองหงน้าหงกลิ่นแท้จริงของเขาเป็นกลิ่นยังไงเหม็นเพราะอะไรเพราะก็เกิดชุ่มแช่อยู่ในปุปโปโลโหิตน้ําเหลืองน้ําเลือดเกิดในที่โสกโปภ์อ่าถ้าเราไม่สระไม่สางจะเกิดอะไรขึ้นฮะ ถ้าเราไม่สะไม่สางไม่ชำระชะล้างมันคายสิ่งโ ก, กรกโปรกออกมาตลอดเวลาเห็นไหมอ่านี่เรียกว่าศึกษาหาความเป็นจริงต่อไปเล็บไม่ไงลักษณะเป็นเกล็ดเกล็ดหอกตามปลายนิ้วมือนิ้วเทา้านี่ลักษณะฐานฐานเขาอ้าวที่เกิดที่อยู่เกิดอยู่ที่ไหน เนี่ยก็ดูเี็เบเราเนี่ยลักษณะมันวางอยู่บนน้ำน้นี้นะแล้วโคนมันก็ทิ่มเข้าไปในเนื้อนี่นะแล้วก็มีน้าเหลืองน้ำเลือดเป็นตัวเลี้ยงเล็บนี้ต้องทำไงต้องตัดต้องทำความสะอาดถ้าปล่อยทิ้งไว้จะไง <Yeah. S 1> ดำาสกกะปรกหรือไม่จริง mm hmm. เออ ไอ้เล็บควันยิงไม่ต้องพูดเลยควันเนี่ยเอาดูที่มีลักษณะเป็นยังไงกระดูกเป็นซิกซิกหอกที่คางหอกที่กระดูกค้างเบื้องล่างเบื้องบนสําหรับบดเคี้ยวอาหารอที่เกิดที่อยู่รากควันขวางอยู่ในกระดูกด้านบนด้านล่างใช่ไหมแล้วก็มีน้ําเหลืองน้ําเลือดเป็นตัวหล่อเลี้ยงเหมือนกันที่เกิดที่อยู่ก็ชุ่มแช่ด้วยน้ําเหลืองน้ําลวดบุโรโพโลจิต ที่ถูกปลูกแล้วก็คายสิ่งสกรปรกออกมาตลอดเวลาเหมือนกันอเราไม่แปลงวันเดียวอะ่ะลองดูทีฮะเวลาเราแปลงฟันอะ่ะเราเอาอะไรออกมาไม่จริงอ่ะถ้าเราไม่ได้กินอาหารเลยเนี่ยมันจะมีอะไรออกมาเราล้างอะไรก็เรียกขี้ฟันพูดมันตรงๆไม่ต้องอายไม่ต้องไปถนอมน้ําใจมาแล้ว เขาเรียกขี้ฟันใช่ไหมเออไอ้ที่กายเหมือนกันที่หนังก็เรียกขี้ใครขี้ฟันเกิดจากอะไรเกิดจากการที่ฟันของเรามันเกิดหอบอยู่ในที่สกรปรกโสโครกมันจึงคลายตัวออกมาที่เราเรียกกันว่าขี้ฟันขี้ใครก็เกิดจากการที่หนังของเรานี่มันห่อหุ้มสิ่งสกรปรกโสโครกสิ่งสกรปรกโสโครกเหล่านั้นก็คลายตัวเองออกมาทางผิวหนังของเราเราเรียกว่าขี้ใคร ทั้งหมดต้องมีการชำระช้าละเนี่ยเวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างนี้เนี่ยมันจะคลายความหลงอเมื่อเราพิจารณาไปเรื่อยๆเืยๆรืยๆืยๆยๆืยมันจะคลายความหลงหลงอะไรหลงตัวหลงตนหลงรูปหลงนามนี่มันจะคลายมันไม่หมดทีเดียวนะมันแค่คลายแล้วมันสามารถที่จะแก้อารมณ์ แก้อารมณ์อันเป็นความหลวงนี้ออกได้พอเราพิจารณาไปพิจารณาไปแล้วในที่สุดพอได้อารมณ์มาเช่นนี้แล้วเนี่ยให้รักษาไว้เลยพอได้อารมณ์นี้ไว้แล้วก็รักษาไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะพิจารณาต่อยอดเราต่อต่อไปเราก็จะเห็นผมเนี่ยโอ้เมื่อมันคลายกรรมราคะออกจากผมได้จิตมันก็มองผมตามความเป็นจริง พอมองผงตางความเป็นจริงก็ศึกษาลงไปให้เห็นว่าผมนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นแค่ว่าธาตุที่เกิดขึ้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขามีแค่ธาตุสีที่ประสมประสานปรุงแต่งมีปัจจัยเหล่อเลี้ยงให้มันตั้งขึ้นอยู่อันนี้เริ่มเป็นธรมนะา ร, านธรมะแล้วนะพิจารณาเป็นธรรมะแล้วนะได้ปัญญาแล้วผมนี้มันเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยงไม่กิรังยั่งยืนอยู่เสมอเป็นทุกขงังมันจะมีการเสื่อมสิ้นพิบัติแปรปรวนไปเป็นธรรมดาทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นอนัตตาไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครแม้แต่เราเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราให้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆด้วยอารมณ์ที่ คลายตัวออกมาจากการที่เห็นมันเป็นปฏิกูลนั่นแหละแล้วเอาอารมณ์ปฏิกูลนั้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็จะเกิดเป็นธรรมะขึ้นมาเมื่อจิตคลายตัวออกจากผมออกจากขนออกจากเล็บออกจากควันอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อยรืยเอยอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นที่เกิดจากความเข้าใจว่าอันนี้เป็นเราและของเรานั้นก็จะคลายเบาตัวเองลงมา และในที่สุดก็หมดไปเมื่ออุปทานไม่มีจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลสเลยอาสวะที่มีอยู่ปรุงแต่งจิตไม่ได้มันก็จะดับหายไปโดยปริยายเรียกว่าเด็ดยอดอาสวะที่มีอยู่ปรุงแต่งจิตไม่ได้แล้วเพราะจิตคลายตัวออกจากรูปนามด้วยอำนาจของละอุปทานคือความยึดมั่นถือมัน่นเมื่อ อ, อุปทานไม่มีจิตก็พ้นจากอาสวะกิเลส เป็นอนให้บรรลุธรรมพิเศษคือพระนิพพานที่ว่าเนี่เป็นธรรมชาติดับเพลิงกิเลสและกองทุกข์อกพอฟังอย่างงี้อุย้ยเราก็บอกว่าไงยากอะ่ะใช่ไ่ะยากเพราะว่าเราฟังทีเดียวสองประโยคจบเลยอันทีนี้เราต้องทำสิลองดูอป๋ปฏิบัติจริงเนยเย็นนี้กลับไปก็ลองดูสักคำเรื่องอาหารอืมอั ได้ก็พอเราพิจารณาของเราได้เป็นอย่างนี้แล้วเราก็เอาอันนี้ที่เราได้อารมณ์กับตัวเราเองเนี่ยแล้วก็ไปใส่เข้าใจไหมไอ้น้ำไอ้รูปน้ำข้างในคือเรารูปน้านี่คือของเราทุกมากมากทุกมากๆอะไรก็มันก็แค่ดินน้ำลมไฟแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแต่แค่สิ่งที่มีความแปรปรวนปรากฏและแค่สิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่อยู่ในอานาจ ความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยดูสิมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรก็มาจากดินน้ำลมไฟทั้งนั้นและมาจากความสำคัญในธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมาจากความคาดหมายของเราของใจเราที่มีต่อธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมาจากให้ค่าต่อธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟว่ามันเป็นอย่างอื่นในที่สุดแล้ว มาจากความหลงความเพลินในธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟแล้วก็ยึดถือไว้ว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นของเราแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั้นเป็นธรรมชาติของสภาวะธรรมที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนพอมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนปั๊บเราก็เป็นทุกข์การเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันทําให้เราเป็นทุกข์ ความทุกของเรามันจึงเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากการที่เราไม่รู้ในความเป็นจริงนี่เองเพราะฉะนั้นเมื่อที่ถามคําต่อคําถามที่ว่าถ้าเราทุกข์มากๆนํามาใช้ได้ไหมมันตรงๆเลยแหละแต่ลองทําดูก่อนแล้วเอาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเอาความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นจากการที่เราทํานั้นนะ่ะเดี๋ยวมันจะมีทางทำให้เองอือโยงถามฟุงอ่ะฟุ้งซ่าน่ะเออฟุงก็เหมือนกันแหละ เอาสุดนี้มาปกอบได้ไหมฮะก็ได้พิจารณาครับเวลาเราพิจารณาจิตก็หยุดฟุ้งแล้วเพราะอะไรทําไมจิตหยุดฟุ้งทําไมจิตเราถึงฟุ้งเอาเฉพาะของโยมารีที่ฟุ้งเพราะอะไรฟุ้งเพราะว่าจิตต้องการที่จะอยู่ในอารมณ์อันเดียวเราต้องการที่จะให้จิตมาอยู่ในอารมณ์อันเดียวพอมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวแล้วมันก็เลย ตลิดอาการที ор, on, ่จิตเตลิดออกจากอารมณ์อันเราต้องการให้จิตอยู่เช่นเราจะให้เขาอยู่กับลมหายใจต้องการให้เขาอยู่กับลมหายใจแต่พอเรารู้ลมหายใจไหลออกไหลเข้าไหลออกไหลเข้ามันก็ไปอยู่กับอันอื่นเราก็พยายามเอาเขากลับมามันก็ไปอยู่อันอื่นเราก็พยายามเอาเขากลับมามันไปอันนี้พอยองเอามาอันนี้ลักษณะมันก็เลยเหมือนกับฟุ้งใช่ไหมเนี่ยแล้วบอกว่าเอามาแก้ตรงนี้ได้ไหม โอ้ยทำไจะไม่ได้จับจิตมาไว้ที่เส้นผมของตัวเองแล้วก็พิจารณาไปที่แทงมาลงไปว่าลักษณะมันเป็นอย่างไรไล่เขาไปเพราะอาการเนี้ยอาการนี้เป็นวิตกวิจารคือการพิจารณาศึกษาศึกษารูปขันของตนเนี่ยมันต้องใช้มันต้องใช้มันต้องใช้จิตไล่เดียงพิจารณาลักษณะมันคล้ายๆกับความฟุง้งซึ่งจิตชอบ จิตไม่ชอบอยู่อย่างเดียวคือดูความจริงว่ามันโต ก, กปร ก, กโฉโครกนี่มันไม่ค่อยจะยอมรับเพราะมันมีกรมราคะเลี้ยงจิตอยู่แต่ว่าความฟุ้งแก้ได้แน่นอนไล่มันไปเรื่อยให้จบสักอย่างหนึ่งแล้วก็กลับไปอยู่ในอารมณ์กรรมฐานของเราใหม่ความคาดหมายความคาดหวัง ที่จะให้จิตนิ่งอยู่กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งเนี่ยของเรามันก็เป็นความฟุ้งอย่างหนึ่งพอมันอยู่เสร็จแล้วมันไม่อยู่จริงไะเดี๋ยวมันก็ไปคิดเรื่องยิ่งเรามีปัญหาเยอะมีเรื่องราวเยอะทอะไยมันก็วิ่งสับไปสับมาสับไปสับมาเหมือนลิงเหมือนลิงอ่ะมันไม่นิ่งเราจะเอากล้วยป้อนให้มันเนี่ย จะเอากล้วยให้มันมันไม่กินมันจะกระโดดไปตรงโน้นกระโดดไปตรงนี้กระโดดไปตรงโน้นกระโดดไปตรงนี้เราก็ใช้วิธีอะล่ามมันไว้อ่ใช้วิธีล่ามมันไว้ล่ามมันไว้แล้วก็ผูกมันไว้กับเสากับหลักเราก็ไปมันก็ยังกระโดดอยู่นั่นแหละกระโดดแต่มันไปไหนไม่ได้แล้วเข้าใจว่ามันฟุ้งแหละมันกระโดดไปโน้นกระโดดไปนี่แต่ว่ามันไปแค่พอสุดเชือกไปแค่พอสุดเชือกก็เหมือนกัน เหมือนอาการนี้แหละเราอย่าไปรู้สึกรำคาญหดหงิดต่อความฟุงฟ้งของจิตถ้าหากว่าตราบใดที่จิตยังกลับมาอยู่กับอารมณ์ที่เราที่เรากําลังภาวนาอยู่ได้เช่นว่าเรากําลังรู้สึกอยู่กับลมหายใจแต่เดี๋ยวมันฟุงฟ้งฟุ้งเสร็จมันก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจฟุง้งเสร็จมันก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจเราก็ต้องใส่ใจโยงลงไปที่ลมหายใจแล้วก็ให้การรู้ลมหายใจ มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไอ้ความฟุ้งก็จะมีกำลังอ่อนแอลงไปอย่าไปทอ้ออย่าไปลําบากอย่าไปรำคาญกับความฟุ้งของจิตโดยเฉพาะรู้ตัวว่าฟุ้งนี่ยิ่งดีใหญ่เลยรู้ตัวว่าฟุ้งเนี่ยยิ่งดีใหญ่เลยเพราะมันเราสามารถแก้ความฟุ้งของเราเองได้ด้วยการภาวนานีเหมือนคนป่วยอะ ถ้าเรารู nice ้ตัวว่าเราป่วยรู้ต so, ัวว่าเราปวดตรงหัวรู้ตัวว่าเราปวดตรงขารู้ตัวว่าเราปวดตรงโน้นตรงนี้นะเราจะรักษาได้เราจะรักษาได้ถ้าฟุ้งแล้วก็ไม่รู้ว่าฟุ้งเนี่ยยากไอ้การรู้ตัวว่าฟุ้งนี่เพราะว่าจิตของเรามันอยู่ในอารมณ์ที่เรากาลังภาวนาอยู่แต่ว่ามันกระเดิดออกไปในอารมณ์อันอื่นและเราก็ดึงกลับมามันจะเดือดออกไปเราดึงกลับมาจนเรารู้สึกว่ามันฟุ้งเหลือเกิน ไอ้อย่างนี้เราก็เปลี่ยนกลับใหม่ไม่ต้องไปรําคาญไม่ต้องไปใส่ใจว่ามันจะฟุ้งหรือไม่ฟุ้งแค่มันหลุดออกไปเราก็ดึงกลับมาหลุดออกไปเราดึงกลับมาหลุดหลบไปแล้วก็ดึงกลับมาเหมือนจับลิงผูกไว้นั่นแหละไอ้ลิงที่แสนชนที่มันไม่เชื่องเราผูกไว้กับเชือกไว้ที่หลักมันจะดิ้นกระโดดกระโดดกระโดดไม่นานอย่าให้มันหลุดออกไปจากหลักไม่นานเดี๋ยวมันก็มานอนฟุบอยู่ที่หลักที่เสานั่นแ่ะจิตนี้ก็เหมือนกัน เมื่อเราผูกไว้ในอารมณ์แล้วเนี่ยมันรุดดอกไปก็ดึงกลับมารุดดอกไปก็ยกกลับมาดึงกอกไปก็ยกกลับมาไม่นานมันก็จะแน่นิ่งอยู่กับอารมณ์นั่นแหละด้วยสติที่พระพุทธเจ้าว่าสติยาระมาเดดันหังเนี่ยเพราะฉะนั้นไอการพิจารณาที่จะมาบอกกับโยมาตลอดตอนบ่ายเนี่ยนะคือเส้นทางที่ทำให้เราไปไหนถึงพระนิพพานนะ นี่คือประตูของนิพพานที่เรียกว่าสัมโพธิมุตตะมังผู้นี้ควรพอแก่การที่จะเข้าพระนิพพานคือเส้นทางของพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้าเรียกว่าสัมโพธิมุตตะมังเนี่ยสัมโพธิมุตตะมัเนี่ยคือว่าเมื่อใดที่เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าเลย เราจะไม่มีโอกาสน้อยมากอยางมากเราก็ได้สวรรค์แบบชั้นเตี้ยเตี้ยตื้นตื้นแต่ว่าเมื่อรู้จักของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนับถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีความเคารพในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยน้อมคําสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติแล้วเนี่ยเส้นทางของเรามีแต่สวรรค์และพระนิพพานเท่านั้น มันจะไม่ลงไปข้างล่างเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมันไม่ไปนะไอ้นี่มันลักษณะของคนไอเทวดาที่มันเคยพูดให้ฟังบ่อยๆเทวดามันเห็นไอเรื่องราวอย่างเนี้ยจิรังบายดีวติตั้งนิสิดโดอุดวาสยังโยวิตะกังวิตเกติปาปะกังเกหะนิสิตัง กุมมักขังปฏิปันโนโซโมหะเนยเยซูมุจิโตอัพพโพตาดิโซพิกุพุทธุงสัมโพธิมุตตมังนเทวดาว่าเทวดาว่าพระมหาสมณนะผู้ที่ยืนก็าตามเดินก็าตามนอนก็าตามนั่งก็าตาม เมื่อมีความคิดอันเป็นบาปเรียกว่าอากุศลเกิดขึ้นที่จิตแล้วปล่อยให้ความคิดนั้นเป็นใหญ่ในจิตผู้นั้นชื่อว่าเดินหลงทางจมหมกอยู่กับอารมณ์อันเป็นอำนาจของโบหะ อภพโภตาดิโซภิกขุพุตุนสัมโพธิมุตตะมังผู้นั้นไม่สมควรไม่สมควรที่อยู่ในเส้นทางของสัมโพธิมุตคือเส้นทางที่จะไปสวรรค์ธนะรรมิพานอย่างเดียวนะเส้นทางที่จะไปสวรรค์ประริพานอย่างเดียวอภพโภตาดิโซภิกขุผู้นั้นไม่สมควรที่จะอยู่ในเส้นทางที่ชื่อว่าสัมโพธิมุตตะมังนี่เทวดามันว่าหลังจากที่มัน เห็น <c oughs> อะไรต่างๆของพู้เจ้าแล้วเนี่ยมันมายืนร้องเป็นเพลงเนี่ยจิรังวายะดีวาติทังนิสินโนอุดดวาวะทยังข้างๆวัดประเชตวันณอย่างเงี้ยเสียงเพราะคล้ายๆเทวดาไหมโยวิตก <c oughs> ังวิตเกตปะเบกังเกงอนิจจิตังเทวดาวา 1 1 1 1> ยินถ hey. well, ือพินอยู่ด้วยนะไม่ต้องทำท่านะกุมมคังปิปันโดโจโบะเนย์มุตจิตโตทวดาว่าอัพปุตตาดิโซปิคุสัมโบสัมมาสัมโบไอพุดทุงสัมโบติมุตตมังนี่ของเทวดา นี่พระพุทธเจ้าก็มันร้องเพลงมาพระพุทธเจ้าก็ขับเพลงตอบแต่ของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ถึงขั้นที่จะใช้ลูกคอแบบนั้นนะ <c oughs> ของพระพุทธเจ้านี่โยจิรังยะดีวาติดทั้งนิสินโดอุดวสยัง วิตกังสมะยิตวานะวิตกูปสัเบรโตนี่ของพระเจ้าพภโพตาดิโซภิกขุพุทถุงสัมโพธิมุตตะมัง่งนี่พระพุทธเจ้าพระเจ้าตรัสตอบว่ า, าของเทวดาที่แปลฟังแล้วเมื่อกี้ใช่ไเออไอของของของพระพุทธเจ้าอ่ะแต่ถ้าว่าอาตมามาขับแทนก็ว่า ท่านพุเจ้าไม่ขับอย่างนี้นะอจะมาขับแทนเพื่อแก้กับเทวดาให้มันสมน้ำสมเนื้ อ, อโยจิรังวาปิวาติทั้งนิสินโดอุดดาวะสยังวิตกังสมาจิตตวานาวิตกกูปัสเมระโตมไม่ต้องให้ลูกขอมาก เทพดาบัรลุขอเยอะพระบตตาดิโซพิกุพุทธุงสัมโบธิมุตตาเงคือพระพุทธเจ้าขับสามสามัคคีจบบอกว่าผู้ใดยืนก็าตามเดินก็าตามนั่งก็าตามนอนก็าตามสหฮบสยบความคิดอันเป็นอกุศล สยบความคิดอันเป็นกุตุนวิตกังสมายตาวานะเนี่ยยังอกุศลและวิตกคือความคิดอันไม่ดีที่เกิดขึ้นนั้นให้สงบไปเสียวิตกูปะสะเบระโตเมื่อวิตกนั้นสงบความคิดอันเป็นอกุศลสกบมันจะเกิดความยินดีในความสกบจากการที่อกุศลดับไปวิตกูปัสะเบระโตพุทธเจ้า พโูตาดีโซภิกุภิกษุผู้เช่นนั้นพุทธุงค์สำโพธิมุตตะมังควรแก่การอยู่ในเส้นทางสัมโพธิมุตคือความเส้นทางของความรู้ยิ่งเนื่องจากว่าเทวดามันถาม ถ, ามถึงภิกษุพระพุทธเจ้าก็เลยเอาภิกษุมาตอบแต่หมายความว่าพวกเรานี่แหละทุกคนนี่แหละที่อยู่ในสุภูตศาสนารู้จักพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเปิดทางให้แล้ว เพราะฉะนั้นเส้นทางของพวกท่านของพวกโยมพวกเราทุกคนเนี่ยมันไม่ควรตกต่ำลงไปทุกขติเมื่อรู้จักพระพุทธเจ้าแล้วมันมีแต่สวรรค์กับพระนิพพานเท่านั้นแมนบอก ถ, <c oughs> ถ้าม่เช่นนั้นเราก็เสียทีที่เกิดมาพบกับพระพุทธเจ้าต้องให้กำลังใจตัวเองเยอะๆอยู่บ้านมา แล้วมันไม่จำเป็นว่าโอ้ยเรารอเดือนหน้าถึงกล้าหลวงพ่อมาจะไปอีกรอบนึงโอ้ยหลวงพ่อพูดดีดีฟังแล้วโอ้ยเข้าใจที่แล้วก็หายไปเดือนนึงเดี๋ยวรอเดือนหน้าดูที่เขาให้ลงทะเบียนวันไหนแล้วค่อยมาไม่ได้นะนั่นเรายังประมาทอยู่นะไอ้มานี้มันมาแค่ฝึกเล็กๆน้อยๆ้อยแต่ของจริงน่ะของจริงคือเราออกจากตรงนี้ไป เราอยู่ที่บ้านอยู่ที่ธรามานเราอยู่ในโลกของความเป็นจริงที่เราจะต้องใช้อยู่ทุกขณะทุกเวลานั่นน่ะนั่นคือของจริงนั่นเป็นสมรภูมินั่นเป็นสนามรบไอ้ที่นี่มันเป็นสนามฝึกเล็กๆน้อยๆมีบังเกอร์ไม่ก็ตีขอบไว้ฝึกใช้อาวุธฝึกอ้นู่นไอ น, น, นี่นั่นเท่านั้นเองของจริงอยู่ข้างนอกเนี่มาบอกว่โอ้ยหลวงพ่อเทศดีฟังแล้วเข้าใจเดี๋ยวเดินหน้ามาอีก แ, แต่ในระหว่างที่อยู่นั่นก็ เลยไปเรื่อยๆมคุกมนั้นก็นมาอีกทีแถมไปคุยโมยเพื่อนขวโอ้ยหลวงพ่อว่ามันพูดดีบ้างเลยเสร็จแล้วไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะจากเพลงขับที่เทวดาถามพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าตอบต่อเทวดาเนี่ยมันคืออะไรจากเพลงขับนี้หมายความว่าถ้าเราประมาท ปล่อยให้อคุสนคือความคิดไม่ดีมีอำนาจในใจของเราเสร็จแล้วอคุศนและความคิดไม่ดีนี่มันจะเกิดบ่อยกับเราที่ไหนข้างนอกที่นี่มันไม่ค่อยมีหรอกนอกจากหุดหิตบางสิ่งบางอย่างไม่มีอ่ะทีนี้ทำไมอาตอมาถึงให้ภาวนาทำไมพระ เ, เจ้าถึงสอนภาวนา ไอ้เทวดามันถามอีกอ่ะมีเทวดาอีกพวกหนึ่งมาถามอีกลุกกระรังดุติติกันเจเทวดามาถามมายืนลอยตัวอยู่กลางพระคันตะกุตีอภับบยเตอภับบยอภัยเตนาสามันยังบก ok ข้าแต่พระสมณะธรรมของสมณะเนี่ยปฏิบัติยาก ดุ ก, กรังแปลว่าทำยากดุติติขัณจจะอดทนยากดุติติขัณจานี้ว่าอดทนยากบะโหหิตต ะ, ะสัมปทาทําลําบากมากสัมปทานี่คือลําบากเ ท, ท, ทวดานะทําลําบากมากเ ท, ทวดาว่า พระพุทธเจ้าเนี่ยกรตับกับเทวดาว่าอ่าเดียนะทำลำบากมากอีกคำหนึ่งที่เทวดาบอกยัตถาบาโลวิสีดติคนโง่จึงติดขัดทุกคนเป็นที่ติดขัดของคนโ ง, โง่เทวดามาว่านะพระเจ้าไงอ่ะนี่พระพุทธเจ้าก็ต้องตอบอีกใช่ไหมตอบเทวดานี่สนุกในเทวดาทางยุดยมหัดไปอ่านม้งางบรรพยิก ทนี้พระพุเจ้าก็ตอบกับเทวดาบอกว่าไอ้ไอเทวดามาเีเทดามันบอกว่าทํายากใช่ไหมนี่ทำยากพระพุทธเจ้าว่าเรื่องยากหรือไม่ยากเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่พูดถึงเลยทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่ากตีหังจารย์ยะสามัญยังจิตตังนะจิตตังนะนิวารเรย พระพุทธเจ้าบอกทั้งนั้นเอาแบบไม่ยากไงว่าผู้ที่ประพฤติธรรมของสมณนะนานเท่าไรก็ตามณนะจิตตังณนะนิวรเยไอ้จิตตังณนะนิวรเยให้พึงหักข้ามจิตอันเป็นอกุศลเหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้ให้พึงหักข้ามจิตอันเป็นอกุศลให้หักข้ามให้จิตหยุดยับยั้งจิตอันเป็นอกุศลให้ได้แล้วก็สังกับปานังวะซานุก ไม่ให้จิตเ อ, อไม่ให้อกุศลมีอํานาจในจิตไม่ให้จิตตกอยู่ในอํานาจของความคิดอันเป็นอกุศลนั้นนี่เจ้าว่าแค่นั้นอ่ะมันยากตรงไหนอ่ะออแต่เดิมอยู่ในครอบครัวนี่ธรรมาก็ไงไงครับนี่นี่นี่หมายถึงว่าเรากลับออกไปชีวิตจริงแล้วนะที่จะไปปฏิบัติแล้วนะแต่เดิมอยู่ในครอบครัวเนี่ยเดินกันเนี่ย เอาสามีภรรยาสมมุติว่าเห็นหน้าสามีแล้วมันหุนหิตหุดหิตใช่ไหมพอเดินสวนกันไปปับ๊บมันหุนหิตอีกแล้วจิตต้องดึงออกมาอย่าให้อยู่กับสามีถ้าอยู่กับสามีแสดว่าปลารบเหยื่อมันก็จะปรุงแต่งใช่ไหมอันนี้เราดึงออกมาเออมันเกิดความหุนหิตอีกแล้วดีเว้ยดียังดีสิเพราะมันจะมีความหุนหิตให้เราดูเข้าใจไหม เพื่อที่จะยับยั้งมันถอยกลับมาถึงแม่จิตอยู่ในอานาจของของความมูนิตเห็นความมูนิตเกิดขึ้นจิตดูปั๊บเลยเห็นความมูนิตเกิดพราะความหุนหิตนี้เกิดขึ้นปั๊บดูซิว่ามันจะดับลงเมื่อใดไม่ให้จิตอยู่ในอานาจตั้งจใจดูความมูนิตเนี้ยดูไปเรื่อยๆมันยังหุนหิตอยู่ใช่ไหมไอ้มันให้มันหุนหิตไปดูทีดูทีมันจะหุนหิตไป พอมันดับปั๊บรู้ชัดเลยอ๋อมันดับแล้วโอ้โหมันเป็นครั้งแรกที่ความหงุดหงิดดับโดยที่จิตไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของมันมันดับไปโดยการที่เราดูรู้เห็นมันนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการนนในครอบครัวกับทุกคนพอความหงุดหงิดเกิดปั๊บดึงจิตออกมาเลยเพื่อดูความหงุดหงิดที่เกิด ดูมนปเดปเดวิศีดติปเดปเดปเดปแปลว่าอารมณ์วิศีดติมันจิตขัดในทุกทุกบทแะถ้าถ้าเราให้มันตกอยู่ในอำนาจของของอกุธนแต่เมื่อจิตไม่ตกอยู่ในอำนาจเราแค่ดูมันดูมันดูมันดูมันดูมันแล้วทีนี้ถ้ามันหนักหนักมากหนักมากแล้วหนักมากก็คือว่า ดูแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแรงขึ้นเลยให้ดูหน้าหลวงพ่อไว้ด้วยว่าหลวงพ่อกําลังมายืนมายืนให้กําลังใจอยู่ว่าให้ดูแต่อกุศลให้ดูแต่อกุศลอย่าไปดูเหยื่อกองอกุศลให้ดูแต่อกุศลให้ดูดูมันเกิดหนักมากขึ้นนะมากขึ้นนะนี่มก็มากขึ้นะเกิดเกิดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วมันเบิกเวลามันเกิดอกุศลความคิดอันเป็นอกุศลเวลาเกิด มันจะบดขยี้จิตจิตห น, นักมีภาระแล้วอึด อ, อัดพอพอมันยิ่งเหมือนกับเราหุดหงิดแล้วเราจะอึดอัดถ้าเราตกอยู่ใต้อำนาจของมันมันก็หันไประบายกับคนที่ถูกเราหุดหงิดแทนหรือไประบายมีคนบางคนถึงขว้งปาทำลายเ้าของเหมือนเด็กๆอันนี้คือระบายความหุดหิดออกทางนั้นทีนี้เราไม่ได้ระบายย และเราไม่ได้มีเหงื่อของมันเราไม่เอาเราแค่ความหลวงพ่อสอนและความหลวงพ่อเทศแล้วเนี่ยจะดูในความโหดนหี้ยนั้นเราดูแล้วมันยิ่งขืนอัดนะทีเนี้ยเพราะมันมันได้ระบายใช่ไหมเพราะมันยิ่งขืนอําทำไงพระพุทธเจ้าต่อจากตรงนี้มาเรียกว่าวิชาเต่าไม่วิชาเต่าก่อนความวิชาเต่าพระพุท เ, เจ้าว่าคุมโบวะอังคาริสเกกะลาเป สบูนหั่งพิกุมนโนวิตักเกออ น, นิสิโตมันเหตยานโดปรินิพิโตณอุปะวะ่าเลยยักัญจิเนี่ยวิชาเตาพระพุทธเจ้า ว, ว่าเรนนี้มันอุดงัดมีบทขยี้จิตแล้วเอาเอาตรงนี้ก่อนถ้ามันอึดอัดมันบทขยี้จิตเราเลยนะเรามีสติที่ฝึกจากอานาแข็งแรงพอเราก็ดูมันดูมันไปเรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆดูมันไปเรื่อยๆโดยที่ เอามันนั่นแหละเป็นตัวที่ถูกดูจิตเป็นตัวรู้ถ้ามันดับไป น, ะขนาขณะนั้นนะเราจะเห็นความโล่งของจิตจากการที่อกุศลนี้ดับและไอความโล่งความเบาความสงบที่เกิดนี้แหละมันจะนำไปสู่ที่พระพุทธเจ้าว่าความยินดีในความสงบอันเกิดจากอากุศลดับออแต่ทีนี้มันไม่ดับเว้ยไอสติเราที่ดูอยู่นี่นขณะ น, นี้มันก็ทำท่าจะเพียงพลั้มพ่ายแพ้เลว มันอึดอัดเต็มทีแล้วทํำยังไงพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ยกจิตกลับไปเหมือนเต่าหดหัวหดอวัยวะเข้าไปในกระดองคือที่ดูมันแล้วมันอึดอัดใช่ไหมทีนี้ก็หดอวัยวะทั้งหมดเข้าไปในกระดองคือยกจิตเข้าไปในอารมณ์ของกรรมฐานที่เราเคยทําคืออาณาลมหายใจ ยกจิตกลับไปที่ลมหายใจเลยหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้แล้วให้จิตค่อยๆรู้ลมหายใจที่ไหลออกตั้งแต่ต้นจนสุดลมแล้วก็รู้ลมหายใจเข้ายาวๆสองคู่สาม ค, ามคู่สี่คู่ห้าคู่หก ค, หก ค, หกคู่แล้วก็ผ่อนลมหายใจให้ปกติแล้วจากนั้นเราก็มาดูความมุดิดที่มีอยู่มันหายไปยังโอ้หายไปแล้วหายไปแล้ว ถ้ามันยังไม่หายมันยังไม่หายใช่ไหมก็ดูมันสักพักหนึ่งแล้วก็ยกจิตกลับไปอีกอย่าอยู่นานถ้าอยู่นานเนี่ยเดี๋ยวมันจับได้มันเหมือนสุนัขจิ่งจอบกับเต่าถ้าเต่าที่ยวโผล่หัวโผล่ขาออกมาจากนอกกระดองนานๆเดี๋ยวสุนัขยิ่งจอบมันงับเข้าแล้วมันสะบัดสบัเดี๋ยวก็โดนมันกินทั้งตัวอันนี้เราก็เหมือนกันหลอกออกจากลมหายใจแล้วเราดูความมัวนิดมันยังอยู่ไหมถ้ามันยังอยู่ดูมันมีกําลังเหนือสติเราเป่า ถ้ามันมีกำลังวัดกันแล้วกำลังมันน้อยกว่าสติเราเราก็ดูมันไปได้ดูมันไปได้คอยดูมันดูมันดูมันดูมันถ้าเห็นมันดับตอนมันดูตอนกำลังดูอยู่นะโอ้โหจะเห็นความสงบของจิตอันเกิดจากอากุศลดับนี่แหละคือธรรมฉันทะจะบอกให้นี่คือธรรมฉันทะคืออาการที่จิตได้สัมผัสกับเส้นทางของธรรมอย่างแท้จริง แล้วความพยายามในการดูมันเนี่ยความพยายามในการดูอากุศลดับเนี่ยมันเป็นความเพียรเป็นความเพียรที่เรียกว่าเรียกว่าความเพียรชอบกันแล้วกันมันเป็นความเพียรชอบกันแล้วกันอ้นี่คือ เส้นทางปฏิบัติในชีวิตจริงนะของพวกเราเราจะเปิดโอกาสปล่อยให้อาคูสลมันเคลื่อนไหวกับใจของเรามันเคลื่อนไหวเสร็จสําเร็จจบกิจของอาคูสลแล้วตกผลึกลงมาเป็นอะไรเพิ่มอะไรให้กับจิตอาสาวะโอ้นี่นี่เก่งนะเนี่ยพอมันเคลื่อนไหวสําเร็จกิจตกผลึกให้จิตเป็นอาสาวะเพิ่มแต่อาสวะเพิ่มแต่อาสวะเพิ่มแต่อาสาวะและอาสาวะที่มันเพิ่มไปเยอะๆที่จิตเรามันก็ใช้เป็นเชือก สำหรับผูกรัดรึงจิตเรากดจิตไว้ไม่ให้มีโอกาสได้ผุดได้เกิดน่ากลัวมากยิ่งเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้ว่ามันน่ากลัวมากการอยู่ให้จิตตกอยู่ใต้อํานาจของกากุศลแล้วเราหลุดออกจากเส้นทางคําสอนของพระพิจ้าวเดิมมีแต่สะสมอาสวะมีแต่สะสมมันจะผูกจิตให้เป็นโยกะโกดจิตลุบอยู่นั่นน่ะ อันตรายไม่น่าเลยแหละ้นเราก็ต้องสู้กับเขาต้องสู้กับเขาแล้วเวลาว่างอยู่บ้านต้องหาทางดูลมหายใจแล้วต้องฝึกการรู้ลมหายใจของตัวเองอย่าเอาแต่เรื่องการนั่งอย่างนี้นั่งในออฟฟิศนั่งทํางานเขียนนานนู่นนานนี่เสร็จว่าก็เอาชะสองสามคู่เก็บสะสมไปเรื่อยในระหว่างวัน ขับรถรถติดดูเลขมันแปดสิบวิเหอเอาสักสามคู่เออให้จิตกลับไปอยู่ในอารมณ์หลักให้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักอยู่บ้า น, น, นเนอะเลี้ยงหลานใช่ไหมก็หลานแม่เลี้ยงเราก็เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยพอว่างหลานหลับดูแล้วชัดเจนแล้วเอาเอาสักห้าคู่สิบคู่คือเหมือนกับจิตมีลมหายใจเป็นเครื่องอยู่หลักแล้วทุกอย่างที่เราทำเราเคลื่อนไหวอยู่นั้นเป็นที่อยู่รอง ไปทำทำทำทำอย่างดีเลยรอบครอบเสร็จสิ้นภารกิจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจกวาดขยะกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดกวาดเสร็จปับ๊บนั่งพักเอาเสืห้าคู่สิบคู่ซักผ้าเอาเอาเดี๋ ย, ยนี้ผ้าไม่ต้องซักมือนะซักกับเครื่องเตรียมปับ๊บใส่เครื่องเสร็จกดน้ำเสร็ จ, จกดเชกตั้งเวลาปั๊บเอาไปเอาเชือกสิบคู่ยี่สิบคู่ สะสมให้เยอะที่สุดในระหว่างวันให้มันบ่อยๆบ่อยๆใครก็ไม่รู้ลืมตาก็ได้นี่จนมันชํานาญเรียกว่ามีทักษะกับการอยู่มีทักษะกับการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่แล้วทีนี้เราจะสบายเรายอมไปทําดูเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะสบายสบายเลยเราจะมีเพื่อนแท้คือลมหายใจมีเพื่อนแท้คือลมหายใจสบายเลย แล้วก็จะคลายทุกอย่างให้กับเราได้เอาว่าแล้วนะนี่แทนการเดินนะทีนี้เราก็จะอยู่กับลมหายใจใครจะไปพักมังไหมไม่มีนะอา้าวเตรียมตัว ไม่ต้องพูดอะไรแล้วน่ยทีนี้พูดเยอะแล้วการอยู่กับลมหายใจในท่านั่งที่โราฝึกเนี่ยพย า, ายามไล่จิตให้เป็นไปตามระเบียบที่มันเป็นไปได้ตั้งกายให้ตรงดํารงสติอยู่เฉพาะหน้าแล้วค่อยคอยรู้ลมหายใจที่ไหลออกก่อนด้วยการหายใจเข้าให้สุดหยุดการหายใจไว้ ตั้งใจว่าจะรู้สึกกับลมหายใจที่ไหลออกและปล่อยลมหายใจให้ไหลออกมาเพื่อให้จิตของเรามีที่อยู่สําหรับที่จะรู้ลมหายใจอย่างชัดเจนจากการหายใจออกทําอย่างนี้ทุกครั้งถ้าเกิดว่ามีการนั่งแบบนี้แต่ถ้าเราไปใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกต้องการอยู่ฉุกเฉินก็วิ่งเข้าลมหายใจเลยแต่ว่าในขณะเวลาเรานั่งแบบเนี้ในรูปแบบเราก็ลล่จิตให้มันมีความชํานาญมีทักษะสําหรับที่จะเข้าสู่ที่อยู่หลักในการรู้ลมหายใจไว้ สองครั้งสามครั้งในการหายใจออกเสร็จแล้วเราก็หายใจเข้ารู้ตามปกติหายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้แล้วก็มีข้อควรปฏิบัติสามข้อก็ต้องจำไว้การแก้นี้บอลดึงความรู้สึกตัวคือถีนมิตะให้ยืดตายง่ายตรงนี่เป็นประการแรกใช้ให้บ่อยๆประการที่สองสภาวะหยาบคือสิ่งที่เราได้ยินหรือได้เห็น หรือได้สัมผัสเนี่ยกระทบปั๊บก็ปล่อยไปแค่รู้ว่ามีการกระทบแค่รู้ว่ามีการได้ยินแค่รู้ว่ามีการได้กลิ่นแค่รู้ว่ามีการได้สัมผัสแล้วก็ปล่อยไปเอาจิตกลับไปอยู่กับลมหายใจเสียประการที่สเรื่องของสภาวะคือความคิดความคิดที่มันเคลื่อนขึ้นเกิดเกิดจากการที่จิตนึกหาอดีตหรือทวินหาอนาคตหรือเกิดจากความคาด หมายความหวังของจิตความสงสัยของจิตที่เกิดขึ้นก็แค่รู้ว่ามันคือสภาวะมันคือสภาวะอันเป็นความคิดที่เกิดขึ้นจิตมาดูมารู้มาเห็นพอจิตมาดูมารู้มาเห็นความคิดที่เกิดนั้นมันก็จะดับไปจิตเราก็จะกลับไปอยู่ที่ลมหายใจเห็นมันเกิดและดับแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจเห็นมันเกิดและดับแล้วก็กลับไปอยู่กับลมหายใจนั้นสามอย่างนี้ต้องจําไว้สําหรับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือ เป็นกำลังในเส้นทางของการปฏิบัติของเราแล้วทุกอย่างมันก็จะค่อยๆพัฒนาของมันเอง เราอย่างอยู่ในสมาธินะไงมือซ้ายมือขวาขึ้นมาในลักษณะของการประดมมือเราก็ตั้งใจแผ่เมต้วรกัน ยกมือขึ้นมาประดมเพื่อบูชาพระรัตนตรยัยมีพระพุทธประธรรมประสงค์พ ร, ระพุทธเจ้าเป็นใหญ่ในใจของเราพระธรรมคำสอนของพระองค์ก็เป็นใหญ่ในใจของเราพระอริยสงฆ์องค์อรหรันต์ผู้เป็นสาวกผู้เลิ่ทั้งหลายเป็นใหญ่ในใจของเรา ให้ใจมีพระาาราตนตรัยเป็นที่พึ่งจากนั้นก็น้อมนึกถึงบุญกุศลตั้งตนตั้งแต่บูชาพระาาราตนัฏไรตอนเช้าสมาถทานสินทั้งห้าควังธรรมตั้งแต่เช้าแล้วก็ปฏิบัติธรรมควังธรรมตอนบ่ายแล้วก็ปฏิบัติธรรมด้วยการนั่งสมาธิทั้งสองรอบ รวมเป็นการเคลื่อนไหวของเราวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงวินาทีนี้เป็นบุญเป็นกุศลอันเกิดจากการภาวนาอันเกิดจากศีลอันเกิดจากทานข อ, อน้อมเอาบุญทั้งหมดนั้นมาตั้งขึ้นที่ใจของเราเป็นกําลังแห่งบุญอันมีกําลังยิ่งเดือประมาณ เมื่อตั้งที่ใจใจก็จะพองใสด้วยกําลังของบุญนั้นส่งจิตเข้าไปที่ใจอันมีอยู่ภายในด้วยกาลังแห่งบุญทั้งหมดที่มีอยู่นี้เราจะแผ่ให้กับพระภูมิเจ้าที่วิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณเหล่านี้ที่เราปฏิบัติอยู่นี้ ให้รับเอาบุญกุศลอนุอนโบทนาต่อบุญทั้งหลายแล้วก็สวัสดสุขอยู่ตามฐานะของตนของตนจากนั้นก็ยกจิตกลับมาที่ใจของเราพิจารณาถึงบุญกุศล น, นั้นยิ่งใหญ่นี้แล้วค่อยๆ อ, อุทิศแผ่บุญกุศล น, นี้ให้กับผู้มีพระคุณของเรา ตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ถ้าที่มีชีวิตอยู่เอาที่ยังมีชีวิตอยู่ก่อนหากกำลังประสบอยู่กับอาพาธอันใดความเจ็บป่วยโรคอันใดทุกทรมานอันใดขอให้กำลังบุญที่เราได้ร่วมกันทำในวันนี้ จงปกปักรักษาให้ความทุกข์อันนั้นคลายออกไปเดี๋ยวขอให้ใจของท่านจงเนืองนึกถึงบุญกุศลถึงพระัตนาไตรมีบุญเป็นเครื่องอยู่ระลึกถึงทานถึงศีงลระลึกถึงกุศลทั้งหลายที่เคยกระทำให้เป็นตัวคอยล่อเลี้ยงใจ มีทุกข์ก็ขอให้พนทุกข์มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าท่านที่มีชีวิตอยู่ถ้าท่านที่ละโลกนี้ไปแล้วไม่ว่าอยู่ในภพใดภูมิใดขอให้บุญนี้จงเป็นทีิปยาสมบัติกับท่านนั้นๆั้นและะว้วจะไววสุขอยู่ในภพของตนจากนั้นก็น้อมจิตกลับมาที่ลมหายใจ ทรงจิตก็ไปอยู่ภายในพิจนาบุญกุศลให้มีกำลังอันยิ่งใหญ่ใจของเราก็จะพองใสไปด้วยบุญกุศลนั้นเบิ่งเบงเบิกบานพร้อมที่จะแผ่ออกไปจากตัวของเรากำลังของบุญกุศลจะแผ่ออกจากตัวของเราด้วยความปรารถนาดีอย่างแรงกล้าขอสัตว์ทั้งหลาย ในสากลจั ก, กรวาลที่ออกไปจากตัวเรารอบๆตัวเราแรงใจอันเป็นบุญเป็นกุศล น, นี้กระเพื่อมออกไปทั่วทุกทิศานุทิศไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่สัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์เลื้อยคลานสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าไม่ว่าอยู่ในดินใต้ดินอยู่ที่เบอือดินอยู่บนอากาศอยู่บนต้นไม้ ขอสัตว์เหล่านั้นจงรับเอาบุญกุศล น, นี้ท่านได้มีทุกข์ก็ให้นจากทุกท่านได้มีสุขขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอให้ทุกๆชีวิตอยู่ในสากลจักรวาลมีโอกาสเลื่อมใสในพระรัตนตรัยมีทัทนาในพระพุทธเจ้าประธรรมและพระอริยสง มีใจผองใสมีใจโน้มเข้ามาเพื่อที่จะปฏิบัติต่อประธรรมคมสอนของพระสมมาสัมพุทธเจ้าขอสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจงมาดำรงตนอยู่ในเส้นทางอันเป็นไปตามคำั่งสอนของพระบรมศาสดาของเรามีพระสวรรค์มีพระสวรรค์มีพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าทั่วกันทุกๆทุ ก, ท ก, ทกชีวิตเถิด ขอบุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ร่วมกันบำเพ็ญกระทำในวันนี้จงชำระสัสางจิตใจของทุกๆท่านให้สะอาดสว่างสหบโดยเร็วพลันเข้าถึงพระนิพพานทั่วกันทุกท่านทุกคนเตือนอ่อ ย, ยกมือลงมา <c oughs> เอาแล้วได้เวลาพอดีสามโมงเป๊ะ